เวลาทำความเพี่ยนไปบางทีมันก็เครียดนะบางคนบางคนก็โลง่งบันทก็สบายทั้งเครียดก็ทําให้เกิดความประมาทสบายก็ทําให้เกิดความประมาทชีวิตนี้คําว่าประมาทในที่นี้หมายถึงประมาทต่อการเดินทางทางจิตประมาทต่อกุศลประมาทต่ออกุศล ที่จะปลากฏเกิดขึ้นในจิตหรือที่เกิดแล้วก็ตามอย่างทั้งโลกเนี่ยเราประมาทตั้ง 50% เปเซก็ถือว่าอยู่ได้นะแต่ถ้าทางทำเนี่ยประมาทแม้เล็กน้อยเหตุปัจจัยอันนั้นก็ทำลายกุศลธรรทำทางจิตให้หดหายไปได้เช่นเช่นติดความสบายเนี่ยก็ลืมดูอารมณ์ตัวเอง ไม่ได้เห็นว่าความสบายเป็นภาวะที่เกิดขึ้นด้วยอามิตรหรือปราศจากอามิตรความไม่สบายงนหญิดอึดอัดขัดเคืองเกิดขึ้นด้วยอามิ t h หรือไม่มีอามิ t h มันเกิดเพราะอะไรเห็นการเกิดขึ้นเห็นการดับไปของมันไม่เราลืมดู ผู้ใดมีสติปัญญาเพียนเพ่งดูจิตตัวเองอยู่อย่างสม่มเสมอบ่อยๆคือเรียกว่ามีโยนิสโสมนสิการมนสิการในจิตผู้ใดมีสติปัญญารู้จักเพ่งพินิษมีจิตหลุดพ้นเห็นอาการเกิดดับของจิตแล้วจะมีใจดีไม่ใช่ดีใจนะ จะมีใจดีไม่มีกิเลสมาอาศัยจิตนี้เกิดผู้มีสติปัญญาคือผู้รู้จักเพ่งพินิตทําจิตให้หลุดพ้นจากอารมณนะ์จากความคิดจากความยึดมั่นความปรุงแต่งไม่ใช่เกิดอาการแปลกประหลาดอะไรสักอย่างไม่ใชนะ่แต่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็นตามเราสามารถทําให้สิ่งนั้นหรือสภาวะอันนั้นหลุดออกไปจากใจเรา ให้มันหลุดพ้นออกไปจากใจให้มันสงบมันไม่ปรุงไม่แต่งทุกข์มันดับไปคือรวมทั้งหมดที่เป็นอาการที่เกิดขึ้นแล้วเกิดความสงสัยที่ปรากฏในจิตเนี่ยเราต้องเฝ้าดูที่จิตนะแต่ไม่ใช่เราไปถามคนนั้นถามคนนี้นะแต่เฝ้าดูที่มันเกิดให้มันเกิดขึ้นได้ไงดูมันอถ้าสติมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตั ว, วระลึกรู้มากขึ้นทุกอย่างมันจะเริ่มเป็นปกติ มันอยู่ที่การดูไม่ใช่การสงสัยอะไรสักอย่างแบบยี่ทํานี้ถูกไหมทํานั้นถูกไหมเนี่ยถ้าเรามาดูที่ใจนะมันจะหายสงสัยอย่างปฏิบัติธรรมเจริญสติบางทีเราก็สงสัยนะแต่เราอยากไปดูในตาําราดูในหนังสือถามว่าถูกไหมมันถูกอยู่แต่ถูกน้อยถูกไม่ตรงแต่ถ้าเรามาดูที่ใจมันก็จะหายสงสัยนะคือให้มันรู้สึกตัว ความว่ารู้สึกตัวเป็นอาการที่หนึ่งระหว่างสติกับจิตเราแต่ถ้ารู้เรื่องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องข้างนอกรู้เรื่องนั้นไม่รู้เรื่องนี้ไหมแต่มันไม่ใช่รู้สึกตัวทีนี้เราก็ว่ามองดูข้างในอันนี้ตัวนี้ไม่ใช่สัญญานแต่เป็นการเฝ้าดูเห็นแบบประจักษ์แจ้งเป็นสภาวะที่อยู่ภายในให้เห็นให้เข้าใจจริงๆมันเป็นยังไง ถ้ามาเคยไปที่อสมภัยมรกรเมื่อปี2 3 4สมัยนั้นปฏิบัติธรรมแล้วถ้ามามาที่มาเจอหลวงพ่อดาบทนะวันนี้นึกเลยอยากไปเลยแวะไปไปดูสถานที่เพราะว่าออกจากนี่บางทีอยากจะพาพระไปพักอยู่ที่นั่นสักระยะหนึ่งไปเข้ากรรมฐานที่นั่นไปดูที่เขาว่ามันสบายะพอไหม สะดวกสบายคือบุคคลสัพพยะบุคคลที่อยู่ที่นั่นเป็นยังไงธรรมสัพพยะสถานที่สัพพยะอากาศสัพพยะอาหารอาวาสพวกนี้ยไปดูดูเพื่อว่าเอา้าพาพระไปเข้ากรรมฐานลองดูที่อะไไปดูที่โน่นที่นี้เมื่อก่อนเห็น เมื่อก่อนได้ยินได้ยินแล้วไปเห็นไปเห็นเมื่อก่อนกับไปเห็นปัจจุบันมันก็ต่างกันไปเมื่อก่อนมีกุฏิไม่กี่หลังแล้วมีศาลามไม้อันหนึ่งกับทางเข้านะแต่ปัจจุบันนี้ไปจําไม่ได้เลยว่าอะไรเป็นอะไรดูก็ใหญ่โตมากแต่ไม่มีพระอยู่ซากองค์เดียว มีแต่ป้ายติดประกาศมีแต่ปัญหาแย่งทิงมรดกระหว่างลูกสิบสองฝ่ายในงบสิบห้าล้านก็ลำบากก็มีพระจรไม่อยากพูดว่าจรจัดนะมีพระจรมาสององค์ ก็เข้าอยู่ในนั้นอีพาสององค์พงมาทั้งอีสานแล้วก็คุยอีสานแล้วไปดูกุฏิดูดูนีน่เผื่อนะเผื่อได้ไปทำความเพียรที่นั่นนะย่ี้แต่อาหารการขบฉันก็สะดวกไปเพราะว่าขบฉันมังสวิรัติก็ไม่ได้บรวินบาดไก่ที่พูดได้ฟังนี่คือ เมื่อก่อนมันเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอีกแบบนึง่งเคยเห็นท่านเห็นกับการได้ยิ น, นยไม่เหมือนกันที่ถ้าเป็นวัตถุภายนอกที่เห็นเมื่อก่อนเป็นยังไงปัจจุบันไปดูมันจะเพียนไปมันจะไม่เหมือนอาการทางจิตจิตนี่มันมันไม่มีอะไรเกินไปกว่าที่พระพุทธองค์เคยเจอมา เมื 2, ่อ 2,500 กว่าปีหรือตั้งแต่เกิดมนุษย์ขึ้นมานี่มันเป็นยังไงปัจจุบันนี้มันก็ไม่ต่างกันนะ่ะมันเหมือนกันมีราคะโทสะโมหะเหมือนกันเมื่อก่อนเป็นนี้ปัจจุบันนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้พิธีการดับทุกข์ก็คือมีสติมาเฝ้าและรู้เฝ้าดูไม่ได้เฉยก็ไม่มีอะไรประหลาเห็นอยู่นึงน่งเนนออะไรที่เกิดขึ้นนอกเหนือไปอย่างนี้ถือว่ามันเพี้ยนไปมันผิดไป แต่ถ้ามันมีราคะโทสะโมหะก็ถือว่ามันปกติเปลี่ยนแต่ว่าทําให้มันเบาบางลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสังเกตศึกษาเฝ้าดูบางคนสติเขาดีไม่ต้องสะสมอะไรมากมายเมื่อเฝ้ า, าดูเลยสราคังวาจิตังสราคังจิตตันติปชานาติเฝ้าดูราคะเกิดรู้ว่ามันเกิดมันไม่เกิดรู้ว่ามันไม่เกิด ราคาโทสะโมหะเกิดรู้ไม่เกิดรู้ดูอาการของของสิ่งอารมณ์ที่ปรากฏในจิตเนี่ยทั้งสิบหกแบบนีแต่วิธีการเราปฏิบัติธรำเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาเราทําตั้งแต่เบื้องต้นเลยพอปฏิบัติธทมเรารู้มันคิดมันรู้มันไม่คิดก็รู้เนี่ยเริ่มตั้งแต่คนมาปฏิบัติทำสองสาวันเนี่ยเราเราขึ้นระดับนี้ไปได้เลยบางทีเพียงแต่ว่ามันจะชัด น้อยหลายวันเข้าหลายวันเข้าสติมันชัดเจนมันถึงจะไปดูดีดูชัดได้และนั้นการดูจิตต้องอาศัยสติที่อยู่ในระดับไม่เป็นอัปปนาสมาธินะไม่ต้องให้มันนิ่งไม่ต้องให้มันดิ่งถ้าจิตมันนิ่งดิ่งแน่นิ่งไปมันเป็นสมาธิปฏิบัติธรรมนี่เขาไม่ได้ให้มันเกิดสมาธิแบบนั้นนะที่จะไปดับทุกข์เนี่ย เขาให้อยู่ในระดับขันนี้กัคือรู้ทีละครั้งทีละครั้งอย่างเรายกมือนี่ก็รู้วางลงก็รู้รู้แบบนี้เนี่ยเวลามันคิดก็รู้มันไม่คิดแล้วไปก็ให้รู้แบบนี้เฉยๆหรืออย่างมากก็เป็นอุปจาระสงบสง บ, สงบใกล้ๆจะนิ่งถ้ามันนิ่งแล้วมันไม่ทํางานปัญหามันแนบมันแน่นเกินไปเป็นสมาธิที่มันมันดิ่งลงไปเนี่ย มันติดความสงบซะคนส่วนมากทาสมาธิแล้หาความสงบหาความนิ่งก็เลยพลาดไปก็เลยไม่เกิดปัญญาแล้วกลายเป็นโทสักบางทีก็เกิดนิมิตแบบโนู้นแบบนี้ไปตามเรื่องทีนี้มันเกิดนิมิตแบบ่อยคนไหนที่ทํานิมิตมันเกิดบ่อยๆเนี่ยคนนั้นโทสักจะสูงทํามันไม่เกิดปัญญานะจะเป็นคนหงุดหงิดง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากให้มันนิ่งอ่ะบางทีก็มีลบกวนในวันนี้เหมือนเด็กที่มันชอบเล่นเกมอ่ะ ในคอมพิวเตอร์นะมันชอบเล่นเกมชอบเอาชนะอะไรอยู่เรื่อยในจิตในในเกมเวลาไปยุ่งกับมันมากมันจะไม่ค่อยได้นะลูกหลานเราน่ะมันจึงหมุดเหยีดง่ายไม่เหมือนกับคนที่ปลูกผักปลูกหญ้าทำโน่นทํานี่เห็นธรรมชาติมันจะเริ่มเห็นอกเห็นใจเริ่มมีเมตตาเริ่มนั้นเริ่มนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นการเจริญสติกับธรรมชาตินะอยู่กับธรรมชาติแต่อยู่ในเกมนี่มันฆ่ามันก็ไม่กลัวเพราะมันไม่มีเลือดตกอย่างออกมันไม่มีปฏิกิริยาในไฟตรงเงินข้ามนะมันไม่ชักให้ดู มันสบายนั้นมันก็สะสมตัวอารมณ์เรื่อย ๆ, ๆจิตเราระลึกรู้เพียงแค่ให้มันต่อเนื่องท่านนั้นเองเออท่านบอกว่ายังไงนะท่านไม่ได้พูดเลยว่ามันเป็นสมาธิไม่ให้มันเป็นโน่นเป็นนี่ไม่ได้เกี่ยวนะพี่นว่าออจิตมีราคะโทสะโมหะก็รู้มันไม่มีสระขังไม่มีก็รู้มันไม่มีราคะโทสะโมหะก็รู้มันมีก็รู้เนี่ย การรู้นี่ไม่จำเป็นต้องสมาธิเยอะใหญ่เราเดินไปเดินมาเนี่ยมันมีก็รู้มันไม่มีมันดับก็รู้มันเฉยก็รู้ราคะรู้โทสะรู้โมหะแหละรู้ได้ยังไงความหลงนะหลงก็ไปในความคิดก็รู้ไม่หลงเห็นว่ามันคิดขึ้นมาแล้วก็รู้มันคิด แต่วิธีนี้มันมั น, ม, นมันไม่ได้พูดเยอะขนาดนั้นคิดก็รู้ไม่คิดก็รู้มันคิดไหมวันนี้คิดไปถามไปจะไปถามต่อว่ามันคิดเรื่องอะไรเขาก็พ อ, อ, อรู้นะไม่ใช่เขาไม่รู้แต่เราไม่เอามาเอาแคว่ว่าคิดไหมวันนี้ยลุงแต่งไมมหมมีมุตตังอวิมุตตังสรารังสทูสังสมุน จิตปรุงแต่งก็รู้ว่ามันปรุงแต่งมันหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นถ้าไม่หลุดพ้นมันหลุมไม่หลุดก็รู้มันไม่หลุดมันติดอารมณ์อยู่ก็รู้มันติดอารมณ์นั่นการเจริญสติเนี่ยคือเราทําอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเจริญจิตตานุปัสสนาเจริญจิตานุ ป, นปัสสนาสติปัฏฐานบางแห่งบางอย่างเนี่ยเขาเขาไม่มีรูปแบบเลย เวลาทำมันคิดก็รู้มันไม่คิดก็รู้อ mm hmm. เดินไปเดินมาพยายามระลึกรู้สามารถสําเร็จประโยชน์ดได้ไหม mm hmm. ก็ได้ mm hmm. จเจริญจิตตานุปัสสนาก็ส่งผลภายในเจ็ดวันนี้ก็สามารถเกิดการรู้แจ้งได้ mm hmm. ทําอย่างนี้บ่อยๆเนะนี่ยทํายงกระทั่งมันหายมันดับไปเหมือนเราสร้างจังหวะเราเดินจูงกลมนี่แหละการสร้างจังหวะหรือการเดินจูงกลคือการเฝ้าดูอาการนะของทุกข์ที่ปรากฏเกิดขึ้นทั้งจิต ทางกายเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยเขาเรียกว่ารูปรูปคนเรามีรูปกับนามคือมีกายกับจิตจิตนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนามกายนี่ยเขาเรียกว่ารูปรูปกายเขาเรียกว่ารูปประธาต์แต่ถ้ารูปของความคิดนี่ยเขาเรียกว่ารูปประขัน ที่บอกว่าขันห้าขันห้านี่ขันห้านี่รูปของความคิดเวทนาก็คือความพอใจไม่พอใจจะไม่เกี่ยวกับร่างกายนีนะร่างกายนี่มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยอันนี้เขาเวทนาทางธาตุอันนี้ไม่ใช่เวทนาทางขันตัวสัญญาคือความจํคาจคือะบวนการรูปก็เป็นรูปของความคิดเวทนาก็คือความพอใจไม่พอใจสัญญาคือความจาสังขารคือความปรุงแต่ง วิญญาณก็คือการรู้อารมณ์เป็นเรื่องของจิตล้วนๆนะนั้นเวลาเราใช้ศัพท์ภาษาของธาตุของขันเนี่ยมันไม่ตรงแต่เราก็อยากใช้บางทีเนี่แต่ถ้ามันเกิดอาการขึ้นทางกายเขาเรียกว่ามันเกิดขึ้นทางธาตุธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเขาบอกว่าปฏิบัติทำเพื่อละขันเนี่ยละขันคือเกิด สังขารูปเปกขายานคือเฉยกับความคิดตัวเองเฉยกับอารมณ์ตัวเองเนะี่ยเขาเรียกว่าละขันมันคิดอะไรก็เฉยกับมันเป็นนะแต่ไม่ใช่ทิ้งร่างกายอันนี้นะร่างกายนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่จิตเรายึดมั่นถึงมันมันมายึดกับกายนี้แต่เราฝึกสตินี้เพื่อให้ถอนในความที่มีความรู้สึกแบบนั้นที่เฉยเห็น สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงทีนี้การที่จะรู้เกิดปัญญาอนั้นได้เนี่ยมันจะต้องรู้รูปนามในระดับหนึ่งคือการเจริญสติเนี่ยถ้าเราไม่มีสติและลึกรู้กายเห็นกายตามความเป็นจริงกา ย, ยานุปนัสปนาสติปฐานไม่ชัดเจนเวลาเราไปดูความคิดดูอารมณ์เนี่ยเนียมันจะเป็นวิปัสนาง่าย สังเกตมันจะติดอารมณ์ไวแล้วเราจะงดหงิดง่ายคล้ายๆว่ามันเหมือนจะรู้ความจริงยิ่งเราไปดูจิตบ่อยเข้าบ่อยเข้าสติที่มันไม่มีพอเนี่ยมันจะคิดเอาคิดเพิ่มคิดเติมว่ากูรู้กูเห็นกูเป็นกูมีปัญหาเพนะื่นคือมันคิดเอานะ่มันคิดเติมเข้าไปแล้วก็เป็นจินตยานจินตยานคือความรู้ที่เกิดจากการคิด มีสติระดับหนึ่งไงแต่มันคิดเอาคือมันไม่สามารถที่จะดับทุกข์ให้กับตัวเองมันก็เลยกลายเป็นทิฏฐิมานะสังเกตุคนฝึกสติได้ระดับหนึ่งเนี่ยช่วงหนึ่งที่ผ่านมาเราจะปล่อยให้ความคิดนี่ทำงานมากความคิดมันเกิดขึ้นในจิตเราเยอะคิดอะคิดทําคิดน่นคิดนี่คิดไปคิดมามันก็เป็นอัตราตัวตนขึ้นมานะเพราะว่าสติมีแต่พลังอยู่ด้านหลังที่ฉาย ผ่านเนี่ยอุปทานมันมีแล้วมันไปนปรากฏภาพอยู่น่ น, เ, นเวลาเราฝึกสติสักหน่อยเราเกลียดชังใครสักคนอุปทานเรามีเราก็คิดคิดก็เหมือนมีสตริระดับหนึ่งนะแต่ว่าไอ้<ม>ความเกลียดความชังมันจะกลายเป็นเหตุมันจะมีเหตุผลให้อย่างดีเลยที่จะพูดจะคุยจะประสานจะต้านจะเจราจาจะอะไรอย่างนี้ เหมือนคนที่มีอุปท า, านลึกๆความโกรธความเกลียดความกลัวผีความสยศาสตร์เนี่ยที่อยู่ในใจนะมันไม่ได้สลายอัตตาตัวตนพวกนี้ออกไปเวลาเราเจริญสติระดับหนึ่งสติมันมีบ้างนิดนิดหน่อยแต่อุปท า, านเรายังมีเราจะสัมคันมันหมยในอารมณ์ที่ปรากฏภาพพวกนี้ก็จะปรากฏเกิดขึ้นเหมือนกันนะ จะเป็นสิ่งนั้นปรากฏให้เราเห็นคือมันมันไม่ได้สลายอัตตาตัวตนแต่มันจะไปเพิ่มอีกระดับนึ่งนั้นท่านจึงพยายามให้พยายามรละลึกรู้ให้มันชัดรู้สึกตัวเนี่ยพยายามมันชัดมันคิดทิ้งทันทีแล้วพยายามกลับมาเริ่มรู้สึกตัวกับกายให้มันชัดเจนใช้ปัญญาเยอะๆใช้ปัญญาคือสังเกตดูอารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ย ดูบ่อยๆ บ, ยบยมากขึ้นมากขึ้นม า, ข, นมาขึ้นให้รูปกับนามเนี่ยมันติดกันมันชัดเจนบางคนปฏิบัติทำนา น, นานแล้วกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเราไม่รู้เรื่องธรรมะเราพยายามที่จะคิดหาตามหลักทำตามโน่นตามนี่นะยิ่งคิดมากเท่าไหร่คุณรู้เรื่องมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งไม่รู้ตัวมากเท่านั้นรู้เรื่องมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะไม่รู้ตัว รู้สึกตัวรู้เท่าทันตัวคิดตัวปรุงตัวแต่งเนี่ยดังนั้นจงพยายามกลับมาที่รู้สึกตัวให้มันมากๆรู้ตัวอยู่กับฐานกายานุปัสสนาพยายามระลึกรูก้ไม่ใช่เดินไปและคิดหาพินิจพนะิจารณาคือในจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานว่าอจิตเตจิตานุปัสสีวิสูทั้งหลาย การพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่นั้นเป็นอย่างไรแล้วพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นอย่างไรแล้วก็คือเห็นราคะโทสะโมหะลุงแต่งไม่ปลูแต่งหลุดพ้นไม่หลุดพ้นอึดอัดขัดขึ้นฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านปรากฏเกิดขึ้นเห็นมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเฉยๆนี่เขาเรียกว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตแต่ไม่ได้หมายว่าเอามาขบมาคิดนะ คือเห็นมันเกิดแล้วมันดับไปฮะเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพิจารณานะพิจารณาเนี่ยมาจากคําว่าวิตกวิจารณ์วิจารณวิจารณ์คือพิจารณาแต่วิปัสนาเนี่ยมันแปลว่าเวลากระทบอาการวิปัสนาญาณเกิดนั่นมันจะรู้แจ้งต่างเก่าล่วงภาวะเดิมชีวิตมันจะต่างไปเลยถ้ามันเกิดการรู้แจ้งมากเท่าไหร่มันก็ต่างเท่านั้น แต่ถ้าเราเข้าใจอะไรสักอย่างแล้วชีวิตมันไม่ได้ต่างเก่าร่วมภาว่าเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจิตมันไม่เกิดการพลิกตัวเนี่ยเขาเรียกไม่ใช่วิปัสนาแต่มันเป็นวิตกวิจารณวิตกวิจารณก็เป็นฌานที่หนึ่งนะคือพอได้อารมณ์น่อมันก็คิดธรรมะธโ ม, มคิดเนี่ยนั่นเหมือนมันเข้าใจอ่ะแต่ระวังช่วงนี้แหละที่ทําให้คนเป็นวิปัสนูมากคือเป็นอุปกิเลสคือมันจะเริ่มเป็นวิปัสนาแต่มันอ่อนอ่อนนะ นี่ปรัสนามันอ่อนคือไฟมันอ่อนแล้วมันสลัวสลัวแต่ก่อนมันมืดไปหมดเลยมันก็มันไม่มีอะไรมันมืดก็คือมืดลองเราปิดไฟทั้งหมดมันจะมืดไปหมดแล้วเราก็ไม่สำคัญมันหมายว่าอะไรเป็นอะไรคือชีวิตเราเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นนะแต่พอมาปฏิบัติทมก็เหมือนกับว่าเราจุดตะเกียงก๊อกขึ้นมาหรือว่าไฟสักห้าโวล์เนี่ยทิ้งไว้ตรงในตรงน แล้วเราเริ่มมองเห็นอา้าอันนั้นต้นไม้เหรออันนั้นเก้าอี้หรือโต๊ะหรือเกียนหรือเปล่าเป็นสิบล้อหรือเป็นอะไรมันจะเริ่มมองแบบนั้นนะ่คือมันไม่ชัดวิปัสสนาที่มันเกิดใหม่ๆถ้าได้อารมณ์ในน้อยนี่มันจะเป็นอย่างไรมันไม่ชัดไม่ชัดแล้วเราเกิดซ้ำคันมั่นหมายวิธีการก็คือไม่ใช่ไปดูนะแต่ว่าทาไฟให้มันชัดขึ้นหนึ่งก็คือจเจริญสติมันมากขึ้น แตได้ลึกรู้ให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไฟมันสว่างมากขึ้นก็จะเริ่มเห็นสิ่งที่ปรากฏนั่นแหะว่ามันเป็นอะไรจริงๆเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปดูก็ได้บางคนมืดอ น, นี้นิดห น, น่อยตามดูเลยตามจิตดูจิตทันทีว่ามันเป็นอะไรยังไงนะ พ่มันไม่ได้ก็คิดหาเอ๊ะมันเหมือนหน้าอันนั้นหน้าน่าจะเป็นอาการนี้หรือทเวลาไม่เข้าใจมันมนขมุกขมัวสลึมสลือนี่เราก็มาดูกับตัวหนังสือที่เขาเขียนไว้มันคืออะไรแน่เรามีอาการอย่างนี้เกิดในใจเอ๊ไปหาดูหนังสือดูดิจริงๆเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นเขาให้เจริญสติให้เกิดการรู้แจ้งขึ้นมาเลยไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเทียบไม่ต้องไปเคียงพอไปดูไปเทียบไปเคียงแล้วมันมีอะไรที่พูดมันมีอัขระพยัญชนะและมีการ ที่เขาบอกว่าน่ะห้ามใช้กับตักกะพุทธธรรมเนี่ยใช้ตักกะว่ามันเข้ากับอาการของจิตเราเข้ากับตัวหนังสือเข้ากับทิฐิความรู้สึกความนึกความเห็นเราว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ขึ้นมาเนี่ยนี่ผิดพุทธพจน์พิดสัจธรรมนั้นการเห็นแจ้งเราก็จะไม่ปรากฏทิฏฐิมานาร า, าตนาในจิตเราก็ไม่สลายนนพระที่เขาเคยฝึกมานา น, านเขาจึางบอกว่าอะไรเกิดขึ้นก็นกนตามรู้สึกตัว อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอยู่กับพองยุบอย่างเดียวอยู่กับความรู้ตัวทุวพร้อมอย่างเดียวแต่คนส่วนมากมันมีอัตราตัวตนปัจจุบันเนี่ ย, เ, ยเวลาไปปฏิบัติทําก็กลัวคนไม่รู้กลัวคนจะกลัวคนจะรู้ว่าเราไม่รู้อะไรอปัญหามนเนี่ยเราก็เลยจะหานะนีนน่บางทีรวมทั้งครูบาอาจารย์เวลาท่านไปสอบไปถามนี่เรากลัวไม่มีอะไรจะตอบเราก็เลยหา S <S <an throp o> เขาไม่ได้ไปหานั่นหรอกเวลาถามนี่เขาถามดูอารมณ์เขาไม่ได้หาความรู้จากเรานะสอบอารมณ์นี่คือไม่ได้ไปหาความรู้จากเรานะแต่ความรู้เนี่ยเป็นอันหนึง่งเป็นความอย่างรู้อันหนึง่งแต่ว่าความรู้นั้นเกิดขึ้นทาให้อารมณ์มันเย็นไหมแต่ถ้าได้เรามีความรู้อันรู้อันนั้นก็รู้อันนี้ก็รู้แต่ว่าจิต ม, มันไม่เย็นเขาอารมณ์มันไม่ได้เนี่ย มันติดอารมณ์มันั้นไปติดอารมณ์นี้ความรู้อันนี้ทําให้เกิดปรากฏการณ์ทางอารมณ์แบบหนึง่งซึ่งมันก็ผิดมันก็เริ่มต้องสอนกันใหม่ประมาณนั้นมาลื้อใหม่มาเริ่มต้นใหม่นี้มันเป็นยังไงมันถึงไปถึงพลาดถึงขนาด น, นั้นก็เริ่มใหม่อะไรประมาณนั้ น, น, นอาการที่ปรากฏขึ้นจากการฝึกสติมันจะมีหลากหลาย มีหลากหลายถ้าเราอยู่ปัจจุบันไม่เป็นถ้าอยู่ปัจจุบันเป็นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นสั้นน้อยเดี๋ยวมันก็สลายไปแล้วกลับมาปกติแล้วเราจะไม่สงสัยสงสัยไม่สงสัยก็อยู่ตรงฐานเดิมไอ้ที่สงสัยเนยพ่อและพ่อมันไม่ชัดเฉยเฉยแล้วออย่างหนึ่งเราพยายามตั้งใ จ, จเจริญสติเพื่อให้อารมณ์มันสูงกว่านั้นสูงกว่านั้นแล้วมองมาอันนี้เมื่อก่อนนี่ นะเราอยู่ในเวทีเนะี่ยชกไปชคมาความคู่ต่อสู้ได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็สงสัยมางทีกระทืบซ้ําเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าไปต่อสู้ต่อกอนกับมันเขาว่าเอาลองลองดูดิลอยถอยออกมาก่อนดิออกมาดูข้างนอกอย่าเพิ่งไปลุยไปเลยออกมาข้างนอกนะมายืนอยู่ข้างนอกเย็บซะหน่อยอันนั้นนี่มองเข้าไปว่าจะจัดการกับมันยังไงดีเราจะเริ่มเห็นแง่เห็นมุมที่เราจะต้องจัดการ ต่อสู้ได้ไม่ได้แล้วจะเริ่มเห็นยิ่งถ้าเป็นเทรนเนอร์เป็นอะไรที่เขาอยู่ข้างล่างเนี่ยเขายิ่งเห็นการต่อสู้ระหว่างเรากับผู้ต่อสู้ได้ดีว่ามันเป็นยังไงอ่ะเขานุ่งบอกเตะซ้ายเตะขวาทีบถอยถอยคะแนนมันพอแล้วยดุยดยุดโยนนะริ่มโบกไม้โบกมือแล้วถอยออกมาไม่ต้องไม่ต้องเดินเนี่ยคือคลๆเหมือนชนะแล้วนั่นคนอยู่ข้างนอกเขาจะเห็นนั่นเวลาเราปฏิบัติทําในบางอย่างเราถอยออกมาดูข้างนอกบางดิ ถอยมาอยู่ข้างนอกบ้างเป็นผู้ดูบ้างอย่างกิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ยดูกิเลสมันทํางานบ้างอย่าไปเป็นผู้เป็นเป็นผู้ดูออกมาอยู่ข้างนอกแล้วดูมันทํางานดูมันเถียงกันนะบางทีมันก็มีกุศลและธรรมเกิดขึ้นในใจบางทีก็มีตัวหนึ่งว่าทําตัวหนึ่งว่าไม่ทําตัวหนึ่งห่ว ง, ต, ง, ง, งตัวหนึ่งไม่ห่วงตัวมันจะคุยกันเอาเราออกมาเป็นผู้ดูดิดูมันเฉยอ้ามันทำยังไงก็ทํา อาการนี้เกิดก็ดูมันอาการนั้นเกิดก็ดูมันสัจธรรมเนี่ยมันมันทนต่อการพิสูจน์เนี่ะแต่ถ้าไม่ใช่สัจธรรมมันก็ไม่ทนต่อการพิสูจน์ทุกอย่างนะถ้าไม่ใช่สัจธรรมเนี่ยเวลามีสติชัดๆเราดูมันแล้วมันจะหายไปอย่างทุกอย่างท่านบอกเป็นอนัตตาพูดง่ายๆย่ยอยๆนะเวลาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเดินให้มันหาย เดย์ไม่หายคือได้อารมณ์ได้อารมณ์คือได้อารมณ์ปกติอะขึ้นมาคือจิตปกติแบบเนี้ยแบบที่เรานั่งเนี่ยคือปกตินะนี่ตอนนี้คือใจปกติแล้วทําให้มันปกติเวลาเบื่อดูแล้วมันคิดแล้วติดอารมณ์มันไม่ปกติมันคิดมากถ้ารู้สึกตัวเยอะเนี่ยไอความไม่ปกติวมันก็หายไปมันจะหายไปคือเดินจนมันหายแล้วมันปกติแต่เพียงแต่ว่าอาการปกติที่เกิดจากการเอาชนะได้เนี่ย มันมันมีสองแบบปกติที่ไม่คิดอันหนึ่งนะมันไม่คิดเฉยเฉยนะปกติอันหนึ่งก็คือมันไม่ปกติแท้แต่เป็นสมาธิไปทับเอาไว้อันหนึ่งทีงนี้มันมีปกติที่มันลึกกว่า น, นั่นนะคือปกติที่จิตสลัดการปรุงแต่งออกไปได้สลัดทิ้งอุปาทานในขัน เราเคยได้ยินนะสังคเตนะินปัญจุปทานนะักขันดาทุค้าว่าโดยย่อ อ, อุปาทานในขันห้าอุปาทานในขันห้าก็คือมันยึดติดส่วนมากคนคนจะพูดว่าขันห้านี่คือร่างกายนี้เป็นรูปขันยิงอันนี้เป็นธาตุเว่าธาตุสี่ขนะันห้าธาตุสี่ก็คือตัวนี้ขันห้าก็คือตัวธาตุสี่อันนี้ อันนั้นเป็นขนัะถ้าเราจะว่าอุปทานในขนันคืออุปทานทางรูปจริงๆคำภี์ตำลาเนี่ยไม่ได้เขียนผิดอะเนี่ยเพราะว่าในอารมณิปัสนายานสิบหกเนี่ยเขาจะขึ้นด้วยการเห็นธรรมคือต้องเห็นนา ม, มารูปก่อนเห็นนา ม, มารูปปรากฏขึ้นคือเห็นจิตและเหนื่อยหน่ายในนา ม, มารูปแต่ไม่ได้เกี่ยวว่าเห็นกายอันนี้ไม่ได้มาเหนื่อยหน่ายในนี้ ในนามารูปมันจะเหมือนกับปฏิบัติธรรมถ้าอยากบางคนปฏิบัติธรรมต้องรู้แจ้งเรื่องขันห้าขันห้าก็คือรูปประขันรูปประขันคือความคิดที่มันผุดปุ๊บออกมาในจิตเนะ่ยคุณเบื่อหน่ายบ้างไหมเบื่อหน่ายความคิดบ้างไหมส่วนมากมันไม่อยากเบื่อหน่ายในความคิดมันติดความคิดนันเขาเรียกว่าเราไม่เบื่อหน่ายในในรูปประขัน อุปท า, านในขันทั้งห้าเป็นตัวทุกมันมายึดรูปตัวนี้ยึดความคิดยึดความพอใจไม่ ح, พอใจยึดความจํายึดความปรุงแต่งยึดความรู้มันชอบรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อุปท า, านมันมีนะมันอยากรู้นั่นอยากรู้นี่ไปเนี่ยแต่มันไม่อยากรู้สึกตัวปัญหามันเนี่ยมันอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะอย่างเช่นเขาถามว่าอันนั้นเป็นยังไง น, นี่เป็นยังไง ด้ินเขาว่าคนฆ่ากันนะกันฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเป็นเป็นยังไงมันจะอยากรู้นี่มันมีอุปทานทางวิญญาณขันนะหรือบางทีถ้ามีหนังสือธรรมะมันจะอยากรู้จะอยากอ่านอยากเขีนอยากฟังอยากเปิดเพราะอะไรเพราะว่ามันเบื่อหน่ายที่จะรู้สึกตัวบางทีมันจะหลงหลงประเด็นไปเนี่ยถามว่ามันมีกําลังใจมีแต่ว่ามันไม่ใช่อุชุปฏิพโนมันไม่ใช่ตรง อยลาเอ่านหนังสือก็สบายใจแต่สุดท้ายเราคือตอนลงมันต้องมาดูจิตดูใจมันต้องมารู้สึกตัวมันเดิมอยู่กับปัจจุบันธรรมทีนี้ถ้าเราอยู่ปัจจุบันธรรมเลยล่ะมันเหมือนมันไม่มีรสมีชาตินะแล้วจิตมันจะเบื่อไหนทีนี้เขาให้เห็นอาการของความอยากอันนั้นน่ะว่ามันเป็นทุกข์เป็นอุปทานเราก็มาเฝ้าเฝ้าดูตัวอุปทานนั้นน่ะตัวที่มันมายึด ยึดความคิดยึดอารมณ์เนี่ยวันนี้มีโยมคนหนึ่งถามดวงตาถามปีกายนี่อุปทานคืออะไรเขาเพิ่งเข้าใจวันนี้เดินจู ก, กลมไปอยู่ๆก็เกิดเข้าใจขึ้นมาว่าอุปทานคืออะไรนะทั้ทงที่ลืมไปตั้งแต่ปีที่แล้วก็มาปฏิบัติที่นี่ก็เพิ่งเข้าใจเขาไปถามว่าถูกไหมดวงตากถูไม่รู้เหมือนกันว่าถูกรู้ผิดนะแต่เธอเข้าใจก็ถือว่าใช้ได้ ใช้ได้มันใช้ได้ไม่ความเข้าใจความเข้าใจเนี่ยมันใช้ได้ไหมใช้ในการเป็นดับทุกข์นั้นได้ไหมถ้าความเข้าใจเกิดขึ้นแต่เอาไปดับทุกข์ไม่ได้ก็เรียกว่ามันใช้ไม่ได้ความเข้าใจมันใช้ได้ตรงที่ว่ามันดับทุกข์ได้นะมันจะเป็นปัญญาถึงแม้ความเข้าใจนั้นจะตรงกับอักษรจากภาษาหรืออะไรหรือไม่ตรงก็ตามแต่มันไปไปสลายตัวอุปทานในขันห้านั้นได้ในความเข้าใจเนี่ยเป็นปัญญา นั้นปัญญาของคนนี้กับปัญญาของคนนั้นไอความลึกความตื้นอาจจะไม่เหมือนกันหรือบางทีมันนักไม่เข้าใจตรงนี้แต่พอเขาพูดนี้เราเขี่ยไปตรงจุดนั้นเอามันไปติดตัวนั้นมันเข้าใจได้จะไม่บอกไม่ไม่ว่าอันนี้ถูกอันนั้นผิดอันนั้นตรงไม่ตรง tô? เพราะว่าอาถูกไม่ถูกตรงไม่ตรงตรงที่มันแก้ปัญหาได้นั่ น, หนแหละแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาแก้แกทุกได้ อันอุปทานในขันห้ามันเกิดขึ้นมาเราก็เห็นมันนะเราสลายมันได้เราดับได้ดับได้ดับได้อยู่เรือเรอยๆดับตัวขันห้าได้ดับความคิดความปรุงแต่งไดนะ้ความยึดมัน่นถือมันสลายไปสลายไปจิตมันกว็ว่างๆการเห็นนี่ทำให้จิตมันว่างนะตัว ระลึกรู้อยู่กับกายก็เหมือนกันนะระลึกรู้กายานุปัสนาหรือการ ล, กลึกรู้การเคลื่อนไหวเนี่ยขบวนการมันทั้งหมดก็คือรู้กายกับจิตอยู่พร้อมๆกันนั่นแหละที่เรายกมือสร้างจิตวะเราเดินจงกรมเนี่ยระลึกรู้ดูตัวนี่วอนตัวอะไรไปในตัวนะคือมันมั น, ม, นมันตั้งใจไปที่นั่นเลยมันไม่เหมือนวิธีการที่ เวลาเราเรานั่งหลับตาเนี่ยมันจะผสมกับตัวนิวรนตัวห่วงตัวเหงาด้วยก็ได้สติบ้างได้นิวรนบ้างได้อุปทานบ้างได้นิมิตแสงสีแบบโน้นแบบนี้ขึ้นมาได้ปีติแบบโน้นแบบนี้ขึ้นมามันจะมีมากมายหลากหลายคือมันไม่บริสุทธ์นะ่ตัวสติเนี่ยเขาต้องบอกว่าต้องมีสติอันบริสุทธ์รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วแลอยู่นะสติอันบริสุทธ์ถามว่าสติที่รลึกรู้นี่บริสุทธิ์ สติบริสุทธิ์คือรู้ตัวทุกร์ผมชัดเจนนะที่มันต่อเนื่องยาวนานและมีกำลังที่จะไล่นิวรธรรมทั้งหลายทั้งพวกนี้ออกไปเจยกินยาไปสองเม็ดเมื่อกี้ยาเนี่ยมันแปลว่าจอด เลรียกว่าอะไรแบบแบบคู่ถังมันรั่วอย่างเงี้ยเขาเอาทีเอาเอาชันเอาอะไรไปยาเนะ่ะนั่นแหะเขาเรียกว่ายาเรือที่มันรั่วเนี่ยเขาเอาอย่างมาต่อยอะไรไปยาคําว่ายาเนี่ยมันแปลว่าคําเดียวกันกับอันนั้นแหละยาแปลว่ายาธาตุแปลว่าไม่แน่นอนยาก็คือไปไปเยียวไปยาไปทําให้มันดีขึ้น ไอ้ที่มันรั่วไนหะให้มันดีขึ้นกินยาก็เหมือนกันโบสถก็แปลว่ายาอย่างเขาไปรักษาอุโบสถอุโบสถคือเข้าไปยาใจไปยาใจใจที่มันมีราคะโทสะโมหะก็เข้าไปยาใจต้องไปรู้นะมันรั่วไปทางไหนจิตใจเนี่ยแต่ว่าชาวบ้านเราคนแก่เป็นรักษาศีลอุโบสถไม่รู้ไปทําอะไร ไม่ได้ตรงกับหลักอันนี้ว่าปัญญาใจคืออะไรนะไม่ได้ไมีดูนะฟังรถเสียมสิบลอ้อก็พอนะมันคงจะทุกขมากนะเสียงดัง <c oughs> ดูที่กิเลสมันบรนทุกมาหนักมันก็ต้องเบิ้นมากนะพวกเธอเวลากิเลสนิวอนความหม่งของเอาเข้า ไม่เห็นเบิ้ลอะไรเห็นจะจอดเหมือนจตมน้ำมันหมดอยู่เรื่อยมันก็ไม่ออกแล้วดูเข้าที่ธรรมชาติเขาสอนโอ้ะมึงเบิ้นแรงขนาดนั้นกูต้องเบิ้ลแรงนะเนี่ยบางทีฟุบลงไปเลยรถเราเนี่ยอันนั้นก็ไม่ได้เรือดอย่างนี้แหละคือถ้าดูเป็นก็เห็นทำธรรมชาติเขาก็สอนหม้ทุกอย่างธรรมะที่เป็นเป็นมักนะเนี่ยนี่ธรรมะที่เป็นมักทีนี้ธรรมะที่มันเป็นผลลองดูนะ เี่แล้วมันไปนี่มันจอดมันจะเป็นยังไงมันถึงที่หมายมันนะมันจะเป็นยังไงนั่นคือผลมันนะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคนลงรถมารถจอดแบบนู้นแบบนี้อนะไรอย่างเงี hmm. ้ยเดี๋ยวเราแต่จะให้ฟังบรรยากาศเบาๆนะคือเร่องนอนๆเดี๋ยวสรุปวบบนี้ฟังนิดหน่อย ไม่รู้เข้าใจหรือเปล่านะที่ดูหนังเมื่อกี้นยะพระเจ้าสิบชาติสิบชาติตั้งแต่พระเตมีใบพระมหาชนกพระสวรณสามที่ที่ดูไปเมื่อกี้นะั ฟังอันนี้ดูนะเผื่อฟุ้งซ่านที่จริงมันไม่ได้มีนะไอันเนี้ยมันไม่ได้มีในพระไตรปิฎกนะไม่ได้มีในะมาในพระบาลีคือไม่ได้มีในพุทธพจน์คําสอนเบื้เจ้าแต่ในในตําราชั้นหล่างๆที่เข้าเขียนคล้ายๆว่าเขียนการ์ตูนประกอบพระพุทธไตรปิฎกมนาะเป็นอะไรอันนี้ก็เหมือนกันเขาเขียนเขียนให้เรา ในศึกษาเรื่องความาคุณธรรมที่จะบรรลุทำสิบประการตั้งแต่ขันติวิริยะปัญญาเมตตาอธิษฐานเนี้ยคือทำยังไงทำยังไงที่จะสามารถบุขเขาก็เลยเขียนเรื่องประกอบขึ้นมาแล้วเราก็อา่านเราก็ศึกษาไปตามนัน แต่ไม่ได้หมายว่าไม่เป็นธรรมในพระไตรปิฎกแล้วไม่มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์นะแต่บอกถึงว่ามันมันไม่ได้มีในพระไตรปิฎกไม่ได้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นคําสอนที่เพิ่มเติมเข้ามาเห็นมันมีประโยชน์เขาก็เลยเอาไปพ่วงท้ายเป็นอะไรนะเป็นเป็นนิทานประกอบหลังพระไตรปิฎกนะพวกนี้เขาเรียกว่าคุถักกนิกายนะเกรด ธรรมะเล็กๆน้อยๆประกอบกันเข้ามาเป็นนิทานประกอบอ่านแล้วให้มันเบาใจมีถึงพระเจ้าห้าร้อยชาติแล้นะบางทีก็หมื่นชาติแสนชาติแล้วแต่เขาจะแต่งเพิมเ่มเติมเข้าไปแต่พ ร, พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดเรื่องแบบนี้เนมะื่อวานดูวีดีทัดนะดูวีซีดีเพราะว่าอา้าวทางขึ้นกุฏิพระเามีที่เล่านิทานนั้นมันจึงมาเป็นนิทานเอาไปอีกแล้วทีนี้ นะคือมันไม่มีเราก็พยายามทำให้มันมีอ่ะแล้วคนที่เขารู้มากกว่าเวลาเราไปอ่านประวัติวันณคดีบาลีเนี่ยเรื่องนี้เกิดพอสอเท่าไหร่วันนี้ใครแต่งเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าเออไอ้นี่เอาไปยัดใส่ปากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดนะเนี่ยที่จริงท่านไม่ได้ว่าเลยนะเนี่ยมันจะรูนะ้ฉะนั้นเราก็พูดว่าเออไอ้นี่มันไม่ใช่แต่ว่ามันมีประโยชน์เร่องนั้นเรื่องนี้ อย่างเรื่องพระพระเตมีใบเตมีเ ต, ม, เตมีใบในเขาสอนเรื่องความอดทนคือเขาอยากสอนให้ว่าถ้าเห็นทุกข์เราเกิดมาเราเห็นทุกข์แล้วเนี่ยเราเกิดมาเราเห็นทุกข์แล้วเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วเลิกเลยคุณทำได้ไหมอันนี้มันเป็นทุกข์นั้นเลิกเลยนะ เกิดมาเกิดปัญญาเห็นทุกข์ไม่ใช่เกิดมาจากท้องแม่นะแต่เขาทําทีเป็นว่าแกเกิดมาจากจากท้องพ่อในท้องแม่นะพอเกิดมาปุ๊บแล้วมีจังหวะหนึ่งดันไปเห็นเขาฆ่ากันนฆะ่าใครฆ่านักโทษฆ่าคนที่มันไม่ดีนะพ่อสั่งประหารฆ่ามัน อยากเก็บมันโอ๊ยผมยอมแล้วผมผิดไปแล้วยมันลองแต่พระเต ม, เมีใบดูด้วยความสงสารน่ะโอจะฆ่าเขาเลยเลยเนี่ยมันผิดยังวขอร้องขอร้องขอข อ, ขอประทานขอชีวิตไว้หน่อยไม่ได้ผิดก็ต้องผิดค่าแล้วมันมันหวยหวนั่นเลยจ้าเนี่ยเขาก็เลยคิดขึ้นมาได้เฮ้ยตะกูเป็น่ยนไปเจ้าไปดีนเนี่ยตายกูต้องฆ่าอย่างนี้เหมือนกันเลยเนี่ย ทำยังไงล่ะเขาว่ามีญาติแต่ชาติปางก่อนนะ่ะเหาะมากระซิบที่หูไม่อยากเป็นพระเจ้าเป็นดินก็ทำเป็นใบซะต่อไปจะไม่ได้ฆ่าคนเขาก็คุยกันตอนนั้นเอาตอนนี้เลยล้วใบตอนนี้เลยเปุ๊บทันทีไม่พูดเลยตั้งแต่วันนั้นไป็นวน ในความหมายตัวนี้เขาบอกว่าคือถ้าคุณเห็นว่าความคิดเป็นทุกข์คุณก็เลิกคิดซะสิตั้งแต่วันนี้นะ่ยได้ไหมเด็ดขาดเลยเนี่ยไม่มันยังไม่ทุกข์เท่าไหร่นะมันคิดนี่มันมีประโยชน์อยู่ด้วเน่ยมันยังบอกว่าความคิดมันยังมีประโยชน์เดี๋ยวจะเอาทําการทํางานเนี่ยมันเถียงอยู่ในใจนะอย่างนั้นก็ต้องทุกข์ไปก่อนทําเหมือนพระเตมีไม่ได้คุณยังใบไม่เป็น ต้องใบให้ได้ใช่ไหมคือเกิดปัญญาเห็นแล้วนะบางคนบางคนเห็นว่าเฮ้ยควันไม่พูดเนี่ยมันไม่ทุกข์นะหรือบางทีเห็นจิตที่มันว่า ง, างคือถ้าเราเห็นจิตของเราที่มันว่างนะเราเจริญสติไปปุ๊บรู้สึกตัวเกิดสติขึ้นมาเกิดสติก็คือเกิดการเห็นนั่นแหละอันนั้นเขาเป็นว่าเกิดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ แต่นี่เราเกิดปัญญาขึ้นมาเราเห็นว่าความคิดมันปรุงมันแต่งขึ้นมาเนี่ยแล้วเราสามารถดับมันไปได้แล้วมันไม่เกิดอีกนะมันเป็นความสุขเป็นความไม่ทุกข์สติมันมาบอกเขาเกรียบเหมือนว่านางมณีเมขลานางอะไรนู่นนะมาบอกเรามาดนบรรดาใจให้เราว่าถ้าไม่อยากทุกข์ทำอย่างนี้ดิ เลิกเลยแต่ต้องเด็ดขาดกับมันจริงๆนะถ้าไม่เด็ดขาดเนี่ยกลับไปกลับมาอย่างนี้มันก็เป็นอีกมันเดิมนะพาเตเมียเนี่ยเขาเด็ดขาดเขาอดทนเลยนะพยายามอยู่กับปัจจุบันยังไงทดสอบยังไงแย่ยังไงเขาก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เปปรุงไปแต่งไปคิดกับมันเนี่ยเขาจะบรรลุธรรมมาเนี้เราก็มาปฏิบัติทำบางคนก็เห็นนะเห็นความว่าง เห็นความโปร่งความโล่งความสบายก็เกิดปัญญานหน่อยหนะ่อยะเกิดปัญญารู้เห็นว่าเออจิตที่ว่งว่างไม่ปรุงไม่แจ่งมันไม่ทุกข์ขนาดนี้นะมันมีอยู่นะในคนเนี้ยภาวะอาการที่ไม่ปรุงไม่แจ่งทั้งที่กูก็เดินไปเดินมาอยู่เนี่ยนะกูก็กินข้าวอยู่นะกูก็นั่งสร้างจังหวะอยู่อะไรอยู่กูไม่ได้นิ่งอะ่ะแต่มันก็เฉยเอออย่างนี้นี่ยเอาไปทําการทํางานมันน่าจะดีนะอาการอันเนี้ย โดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องปรุงแต่งแต่ก็เดินไปเดินมาได้กินข้าวได้ทําอะไรได้เอ๊น่าจะเอาไปใช้นะอันเนี้ยลองดูดิเอาอันนั้นไปใช้ลองดูเอาความปกติความสงบความสงัดที่เราเจอเนี่ยเอาไปใช้ ด, ดูเฉยกับความคิดดูทีเฉยกับความปรุงแต่งดีเขาก็เปรียบเทียบอัมมาต์ตัดเจริพันธ์แม้กระทั่งพ่อ พระบรมราชนกออกอุบายเอาไฟบุหรี่จุดแกก็เฉยเอาไปเข้าไปในห้องจุดทูปจุดพริกหลนก็เฉยจามก็แล้วอะไรก็แล้วนะแขาก็ไม่มีไม่พูดถ้าเหมือนเปี้ยๆง่อยๆเหมือนไม่รู้เรื่องนะ เอาผู้หญิงมาให้ก็เฉยเอาคนนั้นคนนี้มาหยอกมาล้อก็อเฉยคือต้องเฉยหมดทุกอย่างนะคือในกระบวนการที่เอามาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของราคะโทสะโมหะที่เขามายั่วพระเตมีใบคือหลังจากเห็นจิตแบบนั้นนะ่ะคุณเฉยกับความคิดต่อไปเนี่ยที่เขาจะเอาเข้ามายัวย่วยวน่คุณเฉยกับมันได้ไหมถ้าคุณเฉยได้ก็คือคนเห็นทำแท้แต่ถ้าคุณรู้แต่ว่าคุณเฉยกับอันนี้ไม่เป็นมันก็ยังปรุงแต่งดูก็ยังทุกข์อยู่นั่นเองอ คือโย่ให้โกรธมันก็ไม่โกรธโย่ให้โลภก็ไม่โลภโย่ให้หลงก็ไม่หลงนะสราคังจิตตั้งสมุสะโทสังจิตตั้งสมุหังจิตตั้งติตปา่าชาณตินะไล่เข้ามาไล่เข้ามาแต่อะไตัวอะไรตัวจิตตานุปัสสนานะาเฉยได้ทุกตัวนะถ้าเฉยได้ทุกตัวคนเขาก็ไม่เอาคนเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็ไปทิ้งเอาไปทิ้งป่าซรบไป มันไม่ได้เรื่องแหละเรี่ยงมาจนโตนีนคนก ว, ว่าคนนี้ก็ว่าเป็นกาลกินีละมั้งลองดูนะโยมเนี่ยถ้าปฏิบัติเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยลูกเขาจะทิ้งหัวจะทิ้งมันว่าเป็นกาลกินีตามหลวงตาไปอยู่วัดโสมมันจะไปเนี่ยโยมเนี่ยจริงๆนะมันไม่ได้เอามาเก็บไว้ที่บ้านหรอกมันไม่ได้เรื่องสักอย่างนะนี่ ทำอะไรก็มีแต่เฉยทำอะไรก็มีแต่ปล่อยวางไม่ตอบสนองสักอันบางทีกลับไปถ้วยก็ไม่ล้างมีแต่จะเดินจงกรมมัน <c oughs> ก็หนักไปนะบางทีนี่ทำบ้างแต่ อ, อะไรที่มันเป็นประโยชน์นะ <c oughs> เฉยเฉยมากบางทีติดนิดสัย <c oughs> กลับไปเดินจงกรมจนสว่างได้เวลาผัวมาเธอทำยังไม่ทำกับข้าวแล้เอ้าคือก็ทอาออกมาประเคียนทิ <c oughs> แหนนะเพราะมาอยู่ที่บ้านประตูนั่นก็มีแต่เขามาประเคีนประเคนถึงเวลาก็ไปกินเฉยไปอยู่ที่บ้านถ้าอยากเป็นอย่างนั้นคือทําใส่ตู้เย็นเอาไว้เก็บไว้แล้วก็ไปเอามันก็จะสะดวกสบายแต่ถ้าปฏิบัติด้วยกันทั้งผัวทั้งเมียนนะดีหน่อยผัวก็เป็นพระเมียก็เป็นพระอยู่ด้วยกันก็สะดวกสบายแต่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยทะเลาะเบาเวงกัน อันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะต้องเป็นพระเตเมใบเตมีนี่เป็นต้องเป็นคนใบ้ใบ้ไม่พูดไม่คุยไม่ปรุงไม่แตง่งไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในข้างนอกก็ไม่คุยแต่ข้างในมันก็คุยอยู่คนเดียวนะบางคนเงียบที่สุดนะนเดินจุกมีแต่ข้างในมันคุยกับตัวเองอยู่ตลอดเวลามันบ่นเนี่ยโน่นนี่เวลาไปถามเป็นยังไงบ้างวันนี้โอ้ยดรงตาฟุ้งซ่านมากเลยเออยังดีนะเขายังบอกว่าเขาฟุ้งซ่าน ดูหน้าตาแดงก่ำนิโมได้อารมณ์มากกับคือมันคิดมากมันยังว่าได้อารมณ์มากเลยบอกว่าว่ากาดูหน้าเธอแดงจังนะเราคงจะคิดมากนะเอารู้ได้ยังไงว่าหนูคิดเอาเกิดอารมณ์นั้นนี่ไม่รู้ไม่รู้ขอโทษนะไปเลยวนะหึงกลัวมันมันจะกินนองเพรานั้นมาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยมาฝึกขันติธรรมขันติ แต่ต้องมีสติแหละสติแต่มันจะไม่เยอะเท่าไหร่สติเนี่ยแต่มีตัวขันติเนี่ยจะเยอะกว่าแต่มันก็คู่เคียงกันมานะแต่เขาจะเน้นตัวที่อดทนมากๆอดทนหลายๆคนครั้งพุทการเขาไม่รู้เรื่องของสติปัฏฐานสี่แต่เขาจะรู้จักเรื่องของขันติธรรมเรื่องของพระเตเมีใบนั้นเขาไปอยู่ตามดงตามปากเขาจะบําเพ็ญบารมีอย่างเนี่ย แล้วจึงเห็นพระกรรมฐานอย่ตามตรงเป็นพระลึสีเนะหรือพระส ม, มะถะสูงเพราะมันไม่ได้มีเนี่ยสติปัญฐานสีว่ายอย่างนี้นี่มันไม่มีมันอ่านยากพระเตดียดุกเมื่อก่อนเป็นตัวทําตัวขอมตัวอะไรไม่อ่านไม่ออกแต่รู้เรื่องแบบนี้ที่เขาเล่ามาอย่างพระเจมีใบท่านไม่พูดกับใครนะท่านโอท่านโดนนะเออมันฟังง่ายก็เอาไปทําเลยอเนี่ยนั้นพระกรรมฐานอลไรองค์ก็ไปอยู่ดรงปูป่าแล้วเจริญส ม, มะถะแบบน เราไปเห็นโอ้ท่า น, นเป็นบารมีเนาะบางทีบางองค์ก็สร้างนั่นสร้างนี่อย่างท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยท่านจะเป็นนักบท่านก็สร้างนู่นสร้านี่ไปเรื่อยๆไปขี่รถไปเนี่ยเห็นพัดเอาขึ้นหลนะครนะูบานั่ยครูบานี่ตามถ น, นนโน้นดางนะเห็นพัดกา้านตาลถือแล้วก็มีรูกประคำเต็มพอพระมันไม่มีสร้อยทองอยังไงได้ เก่ดมาจนไปใช้ลูกประคำแทนลูกประคำเขาไว้ทําไมเอาไว้นับอย่างงี้นะให้รู้สึกเหมือนเรายกมือใช่หรือกับว่า น, นี่นี่เ้าก็ดีแต่เดนเดนก็รู้ระลึกรู้อย่เี้แต่ไม่ได้เอามาใส่คอนะไม่ได้ใส่คอเอาไว้ระลึกรู้เฉยๆถ้าไปทางที่เบตก็ยิงเห็นลูกใหญ่เท่าลูกคิดเนี่ดีตึ๊บตึ๊บตึ๊บ ละเรามาถ้าได้คนละพวงละพวงนี่ก็โอ้หน้าดูชมมายมยมนี่จะทำหนึ่งหัวเลาะถ้าเรารู้แก่นมาเนี่เราจะหัวเลาะกับกับเปลือกมันเราไม่ได้ใช้เปลือกแต่ถ้าเราไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักเปลือกเราก็จะเอาเปลือกมาเป็นแก่นเราก็จะทึ่งรู้สึกว่าเทเนาะหลวงพ่อเนี่กลมนิ่งนะก็จะกลายเป็นลทัทธินี่โยมมาอยู่แบบทำตัวก็ได้คนละพวงสองพวง แล้วมอบพวงอันนี้ให้กันก็ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดเขาไปอีกแล้วทีนี้ท่านสังเกตดูดูนะถ้าเราปฏิบัติทำนิทานทำทั้งหลายทั้งพวงเนี่ยมันช่วยช่วยให้เราเรื่อกรื้อเป็นคติสอนใจเหมือนบุคคลตัวอย่างในประวัติศาสตร์เหมือนลินคอนเหมือนอะไรต่างๆประวัติเขาเป็นหนึ่งใน จอฟเคนนดีประวัติเ็าเป็นไงต้องจะรู้จักเอามาเตือนสติเราพัฒนานั้นเป็นตัวอย่างทั้งโลกนะกษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศจี น, นชื่ออะไระอายุกี่ขวบก่อนที่จะมาถึงท่านตึงเสียวพิงนี่อายุสามปีกษัตริย์องค์สุดท้ายนะชื่ออะไรนะ เดี๋อวตาจะเล่าประวัติให้ฟังอย่างละเอียดตั้งแต่ข้อตออมาในมีปฏิหารยังไงน้างเ๋ยจะว่าแต่รู้แต่ธรรมะประจัตรประเทศจีนก็รู้แต่ว่าไม่ค่อยเล่าวันนี้ไม่เล่าแล้วต่อมาก็เกิดการนี่นะเกิดการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์มาโคกบินตั๋งมาเ น, มานี่ยมนพวกคนจีนก็มีว่างในนี้น่าจะรู้เรื่องดี แต่ ม, มันคนลาวบ้านนอกนะพวกนามสกุลยาวๆอ่ะจะรู้เราีก็สองคำนะเส่หวไหวเช่ฟาดเส่ตอกเส่ตั้งส่วนมันจะเช่หวไหวนี่นะแล้วเข่ใจเนาะเข่ใจอย่างเดียวเนี่ยเราได้พูดกันเยอะมาก ใจใจใจใจภาษาจีนนแปลว่าว่างใจใจแปลว่ารู้ภาษาจีนแต่มากระจำเข้ามาหรอกขนาดวากกะลืนี่นองตาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจคนจีนไปนนิมนต์ครับอ้วกอยากเลี้ยงข้าวลึ้ออ้อามันจะเลี้ยงข้าวลือ้อนี่ไงว เราก็บอกเออเดี๋ยวลืจะไปเ <c oughs> นื่ึกว่าลืคือเรานะจริงๆนัออ้นมันมั่วๆไปไม่ไรู้ยังไงพูดไม่ค้ <c oughs> อยจะอันนี้เป็นลืเป็นอ้วก็ไม่ค่อเข้าใจอะไรเขาเป็นแบบหนึ่งเป็นภาษามัอนกับโยมแหละบางคนก็คนไทยแท้ๆ <c oughs> จากการเกี่ยวกับาศาสนาเกี่ยวอะไรไป น, นีนมลผู้หญิงนั่นลงตาหัวหน้ากองการศึกษา เขาไปตรวจที่วัดไปถามทำนิยมปฏิบัติธรรมดิฉันมาจากอันนั้นอันนี้เขาก็รายงานตรวจเสร็นะได้ทราบว่าท่านจัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำนะเขาก็เลยอยากพาคนเข้ามากบรมมาปฏิบัติธรรมไม่ทราบว่าอาตมารับได้ครั้งละเท่าไหร่เอา้ากูละมึกว่าเข้าใจดีนะเนี่นยมั้งอาตมารับได้เท่าไหร่ มันจะเริ่มมุมมัวละไม่ถ้าเด็กวันนอกก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่โตอย่างดีเลยคุยก็ฉาาฉานดีแต่มาก็เลยโอ้ยไม่รู้จักกรรมธมาแล้วว่าไม่รู้จะเอาเท่าไหร่โยมก็เอาดีดีสัไหนเป็นตรมาเป็นเลืองเป็นอั้วเป็นอะไรก็ให้มันเข้าใจดีๆเป็นรเราไป็นเราพระถ้ า, า ง, งั้นก็แค่แค่ประเพณีวัฒนธรรมสัพพนามนา ม, มานามคุณนาม ตัวนี้เราก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรกลากายเป็นตลกเป็นโจกอะไรอาแล้วพูดมาถึงสองทุ่มครึง <c oughs> ลองดูนะพรุ่งนี้นะตองเย็นนี้ก็ได้ไปใบลองดูใบภาษาอีสานแปลว่าแกะนะแปลว่าเปิดใบเนี่ย ตัพวเราใบคือสื่อๆเฉยๆนิ่งๆรียกว่าใบแต่ถนนใบไม่ได้เหมือนดังนี้คนละอย่างกันเราทำตัวเป็นใบลองดูเป็นบ้าใบใบไม่พูดไม่จาใบด้วยสติด้วยปัญญานะไม่ใช่ใบด้วยทิฐิมานะเวลาลงตาเดินไปสอบโยมเป็นยังไงวันนี้ ไม่พูดเลยเพราะเห็นมันง่วงมันไม่อยากตอบถ้ามันนั่นแล้วมันจะว่าออกมานะเป็นทิฏฐิแบบหนึ่งนะเฉยไม่พูดไม่อยากในวินัยเขาห้ามนะภิกษุอธิษฐานตัวเองว่าจะไม่พูดกับใครเนี่ยผิดอบัตนะเขาให้พูดไม่พูดไม่ได้เวลามันไปทําผิดมาเวลาเขาามาสอบสวนเนี่ยเธอทําผิดอย่างนี้ไหมไม่พูดอธิษฐานว่าไม่พูดนะไม่ได้เขาให้พูดให้ได้เพราะมันผิดวินัย ห้ามอธิษฐานอย่างอื่นได้อยู่ไม่นอนได้ไม่กินข้าวได้ไม่อะไรได้แต่ไม่พูดนี้ไม่ได้ต้องให้พูดอันว่าปฏิบัติธรรมนี่ก็อ้าวลองไม่พูดดูดีนะไม่พูดกับความคิดตัวเองนะเราเห็นความว่างแล้วเราอยู่กับความว่างเป็นอยู่ความสงบเป็นนะเห็นโทษคลยๆเขาเล่าเรื่องว่าให้เห็นพ่อเขาที่จะ เขาฆ่าคนให้ดูเนี่ยมันตันตรายโหดไร้ขนาดไหนเนี่ยแล้วต่อมาก็คือเลิกเลยไม่พูดไม่คุยทําตัวเป็นบ้าเป็นใบเลยจนทั้งเขาทิ้งอันนี้ก็เหมือนกันเวลามันพูดกับคุยคุยกับเราพูดมากพูดมาเข้ามาเข้ามาเราไม่พูดกับมันเดี๋ยวมันก็ทิ้งเรานะคือมันมายั่วเราแล้วเราไม่พูดกับมันเดี๋ยวมันก็ปล่อยวางกิเลสเนี่ยแล้วสังเกตไหมความคิดตัวไหนที่มันวิ่งมาเนี่ยแล้วเราเฉยกับมันเดี๋ยวมันก็ดับเพราะโดยสภาพธรรมมันก็คือมันเป็นอนิจจัง นะแล้วมันก็เป็นสภาพที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเกิดจากอวิชชาเกิดจากความไม่รู้สึกตัวความไม่รู้สึกตัวบางคนถามนันอย่างนี้อา้าวหนูทั้งรู้สึกตัวทั้งคิดนะ่ะแล้วมันแปลว่าอะไรนะพูดเพิ่มใหม่ก็ได้นะมันไม่รู้แจ้งมันยังไม่เกิดการรู้แจ้งเพียงแค่รู้สึกตัวนี้ยังไม่ใช่การรู้แจ้งแต่มันกระดับได้กิเลสระดับหนึ่ง ความคิดตื้นๆเนี่ยจะดับได้แต่ถ้าเกิดการรู้แจ้งเนี่ยการเข้าใจแล้วมันไม่รู้จะคิดทําไงเนี่ยปัญหาคือมันยังไม่รู้แจ้งจริงๆเนี่ยมันถึงคิดอย่างเช่นโกรธคนเนี่ยบางทีบางทีงทโกรธเขานะเฮ <c oughs> ้ยกูบอกให้มารับป่านนี้ยังไม่มาเลยนะนี่ <c oughs> เอายงคุติยงกิติเอาวิดีโอมาให้ได้ยัง <c oughs> ยังไม่ได้ถามสมมุติเฉยๆนี่ย สมมุติอย่างเงี้ยเราก็บอ ก, อบอกว่าทุ่มหนึ่งให้เอามาปานนี่ยคือยังไม่เห็นหน้าเห็นตามาเลยเนี่ยที่ไหนได้รถเขาคว่มตายอยู่นู่นนะแต่เราก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ยเราไม่รู้นะ่ะเราไม่รู้ว่ารถถ้ารู้ว่ารถเขาคว่มเนี่ยเราก็เฉยซะโอ้มันตายแล้วมันถึงไม่มาสมมุตินะขออย่าให้มันเป็นจริงเลย <c oughs> เขามาแล้วอันนี้เขามาแล้วเห็นแล้วนะผมยาวๆเรามาแล้ว มันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเขาไม่ได้หมายาว่าคือคือต้องให้เห็นด้วยเห็นแจ้งด้วยว่าจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรนะจริงๆมันเป็นอนัตตาแต่ว่ามันยังไม่ทราบซึ้งกับคาว่าอนัตตาในจิตเราเนี่ยเราเลยคิดอันนั้นอันนี้ไปตามเรื่องราคาโทรศัม้วหงุดหยิดอึดอัดขัดเครื่องปรุงแต่งเื่อไนขี้เกียจ อะไรอ่านทนมันจะขึ้นมาอยู่ดี่ดีเพราะเราไม่เห็นมันเทนี้พอเรารู้แจ้งตัวนั้นปุ๊บความรู้สึกตัวนี่มันเข้าไปสลายอันนั้นแล้วเราไม่ต้องมาทําความรู้สึกตัวอันนี้คือมันไปดับอันนั้นแล้วเชื้อมันออกไปแล้วคือต่างคนต่างอยู่นะ่ะเราก็ไม่ต้องพอกพูนสติอะไรเลยอันนี้มันก็อยู่อันนั้นมันก็อยู่อยู่ข้องใครข้องมันมันก็ได้แต่ดูกันเฉยๆดูเฉยๆต่างคนต่างอยู่แค่แค่ว่ามัน มันคลายคืนเนี่ยมันคืนตัวข้งมันไปอย่างที่บอกว่าในบทสวดตันหาที่บุคคลที่ตัดขาดแล้วมันสะท้อนกลับเกิดการเหงืออแห้งแล้วเนี่ยมันไม่ไหลกลับสภาวะธรรมที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะนำไปสู่สภาพธรรมมันนั้นเราสะสมไปสะสมไปเรื่อยๆมีครอบมีกลัวมีบัวมีเมียมีอะไรก็ช่างน่ะธรรมดา ถึงเวลาทําหรอกกทำปฏิบัติไปสะสมไปหน้าที่การงานสมมติตั้งไรทั้งวงเป็นเรื่องธรรมชาติ น, นั่นมันไม่ได้ผิดตราบใดที่เรายังไม่รู้ก็ธรรมดาพอเรารู้มันก็จะคลายออกคลายออกคลายออกนะบางคนก็ตัดจุดทีเดียวเลยสะท้อนกลับไปอยู่ของใครของมันเลยเหมือนกันนะปฏิบัติทำจะจะมีจุดหมายไปลักษณะเป็นแบบนั้นคือให้มันเกิดการรู้แจ้งถ้ามันรู้แจ้ง มันก็ไม่จําเป็นต้องโอ๊ยขนาดเร่ลึกรู้อย่างเงี้ยมันต้องแจ้งชัดกับตัวนี้จริงๆนะถ้าความรู้สึกตัวมันไม่หนาแน่นพอเนี่ยความคิดยังขยับอยู่เรื่อยๆเนี่ยคิดอีกขนาดเดินกระทืบเท้าอยู่ยังคิดนะกูก็ว่ากูรู้อยู่นะที่เท้านี่ทาไมมันคิดนะนะ่ะพราะมันไม่แจ้งไงงั้นเราปฏิบัติทําเพื่อให้มันเกิดแจ้งซะพอแจ้งปุ๊บไม่ต้องกระทืบหรอกนะ่ะเพราะม่กระทืบมันก็รู้สึกตัวบางคนกระทืบจนกระเทือนมาถึงหัวนี่ ก็ยังปลุงแต่งอยู่ยังฟุงยย้งซ่านเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าการรู้แจ้งนั่นมันก็เกิดจากการระลึกรู้นี่แหละทีละอันทีละอันไปเรื่อยๆรู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวนี่เป็นฐานเป็นฐานของสมาธิสมาธิแบบพุทธนะสมาธิแบบพุทธก็คือระลึกรู้ต่อเนื่องนั่นเองแล้วมันจะเกิดปัญญาหยางขึ้นมาอย่างที่บอก ยังว่าเออเฉยกับความคิดเนี่ยต้องเห็นความคิดนี่ถึงเฉยกับความคิดเห็นทุกนะถึงเฉยกับความทุกข์เป็นแต่ไม่ใช่เฉยแบบที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ยอมรับรู้อะไรเนี่ยนั้นมันจะไม่เกิดปัญญาเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญญานั้นเวลาเดินไปเดินมาเวลาใครพูดใครกระทบกระทั่งก็รู้ว่าดีแล้วมีเครื่องทดสอบอารมณ์เห็นอยู่เรื่อยเรื่อยแล้วก็สะสมตัวรู้ไปเรื่อยเรื่อยเรืนานเข้านานเข้านานเข้าความคิดมันมาปุ๊บ มันก็ไม่เอาเราอ่ะมันทิ้งเราไปเลยโอ้ยมาก็ไม่ต้อนรับมันสัทีเนาะมาที่ไรก็ไม่เห็นต้อนรับเมื่อก่อนเวลาคิดแวบเข้ามาเนี่ยเราคิดปรุงแต่งไปจะจบเรื่องบางทีนอนก็ไม่หลับเพราะคิดเพิ่มแต่ต่อมาเนี้เราตัดทิ้งเลยตัดทิ้งตัดทิ้งบางทีก็ไม่ได้ตัดนะเฉยเลยเอามื่คิดมาเลยเฉยกับความคิดเพอาเฉยกับความคิดมันก็ไม่คิดนะโนตาเคยอุปมาปบ่อยๆว่าเหมือนเราไปดูละครเนี่ยดูลีเก๋เขาเล่น ยิ่งเราดูมากเท่าไหร่มันยิ่งเต้นโชว์มากนั่นเท่านั้นนะแต่ถ้าเราไม่มีใครดูเลยโอ้ยไม่เข้าใานะกลับบ้านใครบ้านมันดีกว่ามันก็ไม่เป็นบ้าเต้นให้เราดูหรอกมันก็อายคนว่าไม่มีใครดูว่าเลือกเวทีดีกว่าจิตก็เหมือนกันถ้าเราไม่ดูเนี่ยมันก็ไม่มีสมมุติให้เราดูหรอกมันไม่สร้างสมมุติในจิตแต่พวกเธอทั้งหลายนยะหาแต่เรื่องมามันไม่เต้นก็ไปหาคนมามาเต้นดูดิ หาเรื่องมาคิดดูเอาเรื่องงานเรื่องการเรื่องนั้นบางคนมาสร้างโครงการในทางโยงกลมจนเสียบไม่รู้กี่โครงการแล้วโอ้มันก็ไม่ไหวแล้วอันนี้บอกว่าจะไปดูมานอย่าไปดูมันก็เอามาทําเอาการเอางานมาทําจนจบหมดเลยนี่มันก็แย่ yeah, เนี่ยแย่ yeah, ตรงไหนคือเราไม่เฉยกับมันเป็นต้องเป็นพระเตเมีใบ้ให้ได้นะถ้าเป็นได้มันก็จะสงบ มันมีเรื่องอันหนึ่งคือเรื่องอย่างเรื่องของปัญจวีสติเรื่องของพระวิกรมาทิตกับตัวเวตาลเวตาลปัญจวีสติตัวเวตาลคือตัวเขาจะเขียนมันเป็นรูปภาพหน้าเกลียดหน้ากลัวตัวเวตาลคือตัวความคิดตัวสังขารสังขารคือตัวปรุงแต่ง วิกรมาทิต่์คือจิตจิตปกติมันอยู่ที่เมืองวิธีลาอยู่ที่เมืองนิพพานมันเฉยเฉยแต่วันหนึ่งพราะมันไม่ผ่านอารมณ์มิปัสนามามันก็เลยออกมาท่องเที่ยวปกติแล้วเกิดมาในจิตมันเฉยเฉยนะเฉยเยแต่วันหนึ่งเนี่ยมันจะชอบมันเติรินเติบตัวมาเจอตาหูจมูกลิ้นกัะรูปรลกลิ่นเสียงมันจะเพลินไปกับอันนี้มันก็ไหลไปตามกระแสเพราะไหลไปตามกระแสมันก็ไป พอมาปุ๊บก็หลงทางกลับบ้านดันมานั่งอยู่ใต้ต้นโศกโศกทุกวันเลยที่นี่เห็นไหมดีใจเสียใจเงาองอยเมื่อก่อนเราอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับจิตว่างๆเราเนี่ยก็ไม่ทุกข์ป่า น, นี้นะแต่ตอนนี้เราทําไมเป็นทุกข์นะเพราะอะไรเพราะเราหลงทางออกมาไงเรามาอยู่เรามานอนใต้ต้นโศกในต้นโศก v e r e เอิญ ม, มันมีไอตัวหนึ่งน่ะทําให้เราเพื่อเพินบ้างอะไรบ้างอยู่ในนั้น ต้นนั้นเขาเรียกว่าตัวเวตาลตัวเวตาลปัญหามันคือมันชวนคุยชวนพูดอยู่ดีดีมันพูดนั่นพูดนี่พูดแล้วแล้วก็เพลินกับมันแล้วก็ถกเถียงมันกลับไปกลับมามันบอกว่าถ้ามึงไม่พูดเนี่ยมึงจะไม่ทุกขนะ์ะเอาไหมถ้าเองไม่พูดใครจะไปส่งเองที่บ้านบ้านเดิมเองอยู่ไหนเนะี่ยบ้านเมืองเดิมของจิตเราก็คืออยู่ในพานอยู่กับความปกติ ไม่บ้านเราอยู่เชียงรายนะพคนนั้นบ้านเราอยู่ความปกติ น, ะนี่จะไปส่งที่บ้านบ้านปกตินะั่นแหละแต่มันมีข้อแม้ว่าเวลามันพูดอะไรเนะีย่ยจะคุยกับมันอืเอาได้ไหมล่ะก็เหมือนกับเรื่องของเตเมใบนะ้นี่นแหละอันเดียวกันทีนี้มันก็มาเกาะที่ไหลอา้พาวพระวิกรมาที่มาเกาะนีไปกลับไปบ้านมันบอกไปทางนั้นไปท่านี่มันกล่าวนะ ก็คือมันเข้าใจทีแรกแต่บินสักนหน่อยมันก็พูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นนนขึ้นมาเราต้องเฉยกับมันถ้าเฉยได้เนี่ยเราจะไปถึงเมืองนิพพานแต่ถ้าเราเฉยไม่เป็นเราไปคุยกับมันเนี่ยมันจะปรุงแต่งเพราะปรุงแต่ง ก, ก็กลับไปอยู่กับทุกข์เหมือนเดิมไปอยู่ที่ต้นโศกเหมือนเดิมเราก็ต้องไปเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มยี่สิบห้าเรื่องนิทานเนี่ยเล่าอีกแล้วก็บินกลับไปกลับไปเริ่มใหม่กลับไปเริ่มใหม่จนทั้งเรื่องสุดท้าย พรวิกรมาที่จึงเฉยจึงสามารถไปนิพพานได้เราก็ลองดูดิเฉยกับจิตเราลงนี้เวลามันปรุงแต่งนะ่ะไหวไหยถ้าไหวได้ก็คือเราผ่านตัวเวตาลนันนี้ได้นะนอกจากเวตาลในจิตแล้วไอ้ตัวเวตาลข้างๆนั่นก็อีกต่างหากไปเดินโยกมอยู่ด้วยกันนั่นนะ่ะได้ไม่วันนี้ได้หรือยังอยู่นั่นนะ่ะบอกมนะันแลโอ้ยนางเวตาลเด้อย่ามาคุยกับกูเลย กูก็แทบตายแล้วไอ้ตัวเดียวนี่ก็หนักแล้วอยู่ในกระโหลกนี่ยังมีอีกตัวเวตาลตัวหนึ่งมันบินมาใกล้อีกเลยยังบอกเขาให้มันห่างออกไปห่หางออกไปดิมันถึงจะได้เวตาลบางตัวบางตัวมันมันก็ไม่พูดมากนะแต่มันง่วงเซซ้ายเซขวาให้เราขำนี่ก็อันนี้ก็อันตรายนะอนี้ก็ตัวเวตานมีหลายแบบะจุดประสงค์คือเขาอยากให้เฉยให้เฉยกับสิ่งที่กระทบทางปัญษานั่นแหละ แต่เราทำเป็นอ้าวยกตัวอย่างพระเตเมีใบก็ยังบรรลุธรรมอ่ะเฉยเนี่ยก็บรรลุทําได้แต่ต้องเฉยกับความคิดนะไม่ใช่เฉยต่อการต่ อ, าตองานเพราะขี้เกียจนะโอราณกันลองลองไปหัดดูนะทีนี้พูดถึงเรื่องเรื่องที่สองนะครับพูดถึงเรื่องของพระมหาชนกนะ มหาชนกมหาชนกชนกชนกแปลว่าอะไรมหาชนกมันแปลว่าพ่อใหญ่ชนกแปลว่าพ่อมหาแปลว่าใหญ่โยชนไ่ไม่พ่อใหญ่มาชนกก็ย่อยๆนะมาชนกคือคนคนที่จะได้เกิดเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องความเพียร น, นอกจากอดทนแล้วต้องขยัน ขยันอย่างไม่รู้ว่าเป้าหมายจะไปทางไหนเนี่ยเขายกตัวอย่างว่าหมายชนกจมลงไปในทะเลฮีซเาปาเรื่องว่าทบจมเขาบอกนั่นนี่นั่นน่ะดันขึ้นไปบนเสากระดงเรือแล้วโดดออกไปด้วยโดดออกไปยวงหางเพื่อให้ไม่เห็นปลามันกินแต่ในขณะที่ก่อนโดดนี่เขาแกเอาผ้าชุบน้ํามันพนันตัวเองก็โดดไปแล้วมันก็ไม่จมน้ํามันมันลอยน้ําใช่ไหมมันก็ไม่จม ลอยคว้างอยู่กลางทะเลลอยอยู่กี่วันเจ็ดวันนะลอยอยู่เจ็ดวันจะลอยไปไหนไว่ายไปไหนไปเข้าฝั่งนะเห็นไม่ฝั่งไม่เห็นเนะี่ยอยู่กลางทะเลมันไม่เห็นฝั่งแต่ก็ลอยปเ ข, า, เขาไปเราไปลรามาเอาขอคบวันที่เจ็ดมีนางมณีเมฆกระลาห์ลงมาถามว่าดูก่อนท่านท่านกำลังทำอะไร ถ้าเป็นหลวงตาเรท้งจะช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็จะมาคุยด้วยเลยเสียเวลาแต่เนี่อจะว่าเป็นนิทานไงคุยกันสะก่อนหวังประโยชน์อะไรจึงมีการไหว้ยอยู่อย่างนี้นี่นะต้องคุยกันบรรทุรสภาษาคุยกันพอสมควรนะถึงจะช่วยนะคือเขาก็อยากให้รู้เหตุรู้ผลนะตรงนั้นเขาอธิบายว่านะมหาชนกเนี่ย เขาพูดถึงเรื่องความเพี่ยนคุณต้องเพียนเพียนแบบไม่เห็นฝั่งถามว่าถามว่าฝั่งของความคิดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ปฏิบัติธรรมนี่มันมีฝั่งไม่ความคิดเนี่ยคิดไปคิดมาแล้วที่สุดของความคิดเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วที่สุดของทุกนั่นแหละมาหาที่สุดของทุกทั้งที่เราไม่เห็นเราเวียนว่ายอยู่ในในสังสารวัตรสังสารวัตรคือทะเลทะเลของความทุกข์ก็คือความคิดความปรุงแต่งนี่แหละ มันมากมายหลากหลายสิล่เกินนะ่ะไหวไม่รู้จะขึ้นฝั่งได้ตอนไหนวันนี้ก็คิดวันนี้ก็คิดวันนี้ก็ฟุง้งซ่านวันนี้ก็งูยิดวันนี้ก็อื่อ่ะโอ้ยมันมากมายแต่เรามองไม่เห็นฝั่งแต่เราก็ต้องไหว้ไหว้ภายในเจ็ดวันเนี่ยไหว้ให้ได้เพียนพยายามทีนี้มันก็ต้องมีมีอะไรมีผ้าชุบน้ามันพันตัวคือคนที่จะไหว้เนี่ยคนต้องมีศรัทธา ถ้ามีศรัทธาแล้วคุณจะทําได้ดีอันนี้แต่ถ้าคุณไม่ศรัทธาคุณไม่มีน้ํามันพันรอบตัวแล้วคุณโดดลงไปในทะเลเนี่ยคือโดดลงมาในเวทีของการต่อสู้กับกิเลสเนี่ยถ้าสติคุณไม่มีศรัทธาคุณน้อยเนี่ยคุณจะจมลงไปเรื่อยๆเวลาทํำไปโอ้ยเบื่อโอ้ยเบื่อแต่ถ้าคนไหนมีศรัทธาสู้ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยหลดได้รอดได้ทะลุไปได้ท่านปลูกศรัทธาให้เกิดอยู่บ่อย ปฏิบัติธรรมต้องมีศรัทธานะคือต้องมีอนันต์พันเอวเอาไว้มันจะช่วยได้แต่ศรัทธานี่ยคือจะเริ่มซึมหมอกซึมหมอกนะน้ํามันมันจะเริ่มหอกนะแต่ก็พยุงเราได้หน้าที่ไหว้เป็นเป็นึศรัทธามันมีประคองตัวแต่การไหว้เนี่เป็นเรื่องของมีริยะมันต้องไหว้ไปเรื่อยๆไหว้เรื่อยข้างล่างก็มีปลามีเต่ามีโนดมีนี่มีขื่นมีปลา้าลมีหินโซโครก มีอะไรเนี่ยกระทบเราอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะ่ะต่างๆหูจ ม, มูกรูกเราหินเสียงสะบัดเนี่ยกระทบปัสสะเราแม้ไม่เห็นฝั่งก็ว่ายทวนกระแสไปเรื่อยๆน้ำทะเลไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาบาหลีเขาวเป็นเรื่องของ1กามโมคะ2พระโวคะ3วิชโชคะทิถโทคะน้ำคือทิฏฐิมานะ ที่ถี่มาน้ําไหลมาจากใจนีะฮะแต่เหตุแต่ผลจิตเนี่ยสองภาวะน้ําติดความคิดในอดีตอวิชโชขะน้ําคือความไม่รู้สึกตัวน้ําคือความใคร่ความอยากบางคนโดยเฉพาะคนที่เคยสะดวกสบายมาอยู่ที่นี่มันจะอยากสะดวกสบายอยากกินตอน น, นั้นเกิดแดกยินแดกดอนนี่อยากได้อะไรก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยอยากสะดวกสบายนี่ พอมาทำมนันนี่มันจะรู้ธรรมะยากเพราะมันตามใจตัวเองฝืนได้ไหมลอยกระแสทวนกระแสไหว้ทวนไปเนี่ยทวนกระแสจลิตนิสัยสันดานตัวเองนั่นแหละนั่นแหละคือกิเลสเนะไหว้ทวนข้ามไปได้ไหมบางคนเขาไม่ได้ฟังเรื่องอารมณ์วิปัสสนานะเขาฟังแค่เรื่องพวกนี้ถ้าเขาไปทําตามเขาก็สามารถบรรลุอรหันต์ได้บรรลุความเพียรได้ไม่ต้องฟังอะไรมันลึกซึ้ง เป็นโอ้ต้องไหว้ทวนเลื่อความคิดความปรุงแต่งนี่เขาก็ไปทําเขาก็เกิดการรู้แจ้งในเพียงที่แครอดทนเขาก็บรรลุธรรมแล้วไม่ต้องอารมณ์วิปัสสนาญาณสิบห้าสิบหกไอ้น่นั้นี่ไม่ต้องนแล้วไม่ต้องฟังอภิธรรมด้วยบางคนเออไปฟังอภิธรรมในพุทธประวัติในพ ร, ร, น ร, ระเตบิโลกจไม่มีใครบรรลุธรรมเพราะฟังอภิธรรมจะฟังพระสูตรฟังเรื่องแบบนี้นี่คนจะบรรลุธรรมเยอะ คือมันเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วไปทําได้เลยไม่เป็นเรื่องของวิชาการไม่เป็นเรื่องขั้นตอนอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนแต่คนมันก็ชอบชอบอะไรที่ฟังอะไรที่มันลึกลับมันผมบอกถึงสติปัญญาอะไรต่างมันได้คิดตามได้อะไรอย่างนี้นี่ไหวมากี่วันแล้วเนี่ยสองใช่ไหมเพิ่งไหวมาได้สองวันนะบางคนง่อยมันเมียนบัะมันใช่เลยนี่มาก มันกลัวทุกหลายวันแล้วนะเนี่ยถ้าหลายวันก็ยังไม่เกิดปกติเขาบอกว่าสี่วันห้าวันก็เออเริ่มอยู่ตัวแล้วอารมณ์เริ่มประคองเป็นละเริ่มมีปิติเริ่มอะไรเกิดขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆแล้เหมือนกับขุดน้ํานี่เยังไม่เจอน้าก็เริ่มแผ่นดินเริ่มชุ่มชื้นขึ้นมาล้วเริ่มสัมผัสอะไรไดิบังฮั้นปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเบื้องต้นของการการเข้าถึงธรรมก็จะเกิดปิติความเออบีมความโล่งความโปร่งเบื้องต้นจะเป็นอย่างเนี้ย มันจะโล่งโปรงๆสติก็เริ่มชัดเจนขึ้นอารมณ์เริ่มต่อเนื่องขึ้นตัวสติสมัย น, นี้นะเนี่ยเริ่มต้นเขาเรียกว่ารุ่งอรุณแห่งการเข้าถึงธรรมมันจะเป็นอย่างนี้ในวิธีการปฏิบัติธรรมนี้สักสามสี่ห้าวันเนี่ยถ้ามันยังหรือภายในเจ็ดวันเนี่ยมันต้องเห็นอะไรบ้างนะ ในจิตเราความเปลี่ยนแปลงในฝ่ายที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นมันต้องเห็นนะถ้าไม่เห็นก็แสดงว่ามันหนากิเลสมันหนาเพราะกิเลสมันหลหนาแล้วก็ถากออกยากมันก็เลยไม่ค่อยเป็นน่บางทีความคิดมันเยอะนั่นเองความปรุงแต่งมันมากอัตราตัวตนมันมากอารมณ์ฝ่ายกุศลธรรมในจิตมันก็เลยเกิดน้อยหรือมันยากจะเกิดความโล่งความปร่งความอยู่ปัจจุบันเป็นเนี่ย ส่วนมากก็ติดกับความคิดความรงแต่งถ้าเราทำมาสี่ห้าหกเจ็ดวันเราไล่ออกไปได้มันจะเริ่มใครเริ่มใคยากพไปหาฝั่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยแต่มันก็ไม่เห็นฝั่งบางทียังไม่เห็นบางคนก็ท้อแท้ใจนะโอ้ยกูกลับสะบอ้อหรือยอมตายอย่างบริวารห้าร้อยคนนั้น สำเพาเขาล่มนะบริบาลห้าร้อยคนเนี่ยว่าเวยจะไปไหว้ทำไมลูกพี่ตายดีกว่าเพราะมันไมจะไหว้ไปทําไมฝั่งมันก็ไม่เห็นนะแต่มาอาชโนว่าเออเราจะไหว้ทั้งที่ไม่เห็นฝั่งนี้แลหละแลนหลายๆคนมาปฏิบัติธรรมทั้งที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนิพพานมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะการเข้าถึงธรรมเกิดขึ้นได้หรือเปล่าในชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าบังเป็นบารมีไว้เป็ น, ป น, ปนชาติหน้านานเล้อเพราะว่ามันมีหลายชาติแบบ น, น้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคนชอบพูดอย่างนั้นนะ ทิ่งู่พระุทธจ้าท่านท่า น, นจะไม่พูดชาหน้าไม่พูดชาตที่แล้วบุเดียวแต่ท่านจะพูดอยู่ปัจจุบันบรรลุธรรมก็บรรลุปัจจุบันสิ้นทุกข์ก็สิ้นทุกข์ที่ปัจจุบันนะเผาไปแล้วก็จบไปไม่มีอะไรจะมาสิ้นทุกข์มาดับทุกข์ทุกข์ก็ไม่เกิดแล้วตรงนั้นนะแต่ปัญหามันเกิดที่ปัจจุบันเนี่ยความทุกข์ของคนเนี่ยเห็นไหมความคิดความปรุงแต่งเราที่เกิดขึ้นมาที่เราเป็นทุกข์ก็ทุกข์เพราะความคิดไอ้ที่เราคบกันปัจจุบันเนี่ย เรารักเราชังกันก็เป็นปัจจุบันไม่ได้ทุกมาจากอดีตเพราะพุทธศาสนานี้เป็นเป็นอเทวนิยมไม่มีเทวดาแล้วเป็นคําสอนที่เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นปรมาตามันไม่มีตัวตนอะไรที่ถาวรไม่มีจิตจะพูดไม่มีจิตอะไรที่เกิดข้ามพพข้ามชาติในลักษณะเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตน ไม่ใช่เกิดวันนี้ปุ๊บตายแต่ตัวจิตมันยังเหลืออยู่แล้วไปเกิดชาตินั้นชาตินี้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้พุทธศาสนาไม่ได้สอนแบบนั้นเพราะพุทธศาสนาไม่ได้มองมองว่าจิตเนี่ยเป็นอัตตาเป็นอัตตาที่ไม่มีเกิดไม่มีดับไม่ใช่แต่พุทธศาสนามองมันเป็นอนัตตาอนัตตาคือมันไม่มีอ่ะมันเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอารมณ์ทัางหล่ทั้งปวงปที่เกิดขึ้นจาก เราไม่รู้สึกตัวนี่เองเราไม่เกิดการรู้แจ้งและผัสสะในปัจจุบันเนี่แต่ก่อนคนนี้ก็เป็นลูกสาวของคนนั้นเราก็ไม่สนใจแต่พอสมมุติว่าเป็นเมียเราเท่านั้นแหละอารมณ์เราเกิดทันทีเลยเกิดรักเกิดช่างเกิดหึงเกิดห่วงกันมานั้นมันเกิดมาจากไหนก็เกิดปัจจุบันเนี่ยไม่ได้อดีตอนาคตเลยคนนั้นแต่ก่อนก็ไม่เห็นไปเลยพอคิดว่าเป็นลูกเราเท่านั้นแหละรถเขาจอดในร้านก็ไม่ได้เป็นไรแต่พอเราซื้อมาคิดว่าเป็นรถเราหึงห่วงยังอะไรดีมันเกิดตอนไหนเกิดปัจจุบันทั้งนั้นน ทุกเนี่ยงั้นเรามาปล่อยวางปฏิบัติทําก็ปล่อยวางไอสิ่งที่อยู่กับเราที่เป็นปัจจุบันเนี่ยแหละที่เราไปคิดตามคิดถึงเนี่ยอันนี้ปัญหาเราเห็นแจ้งก็เห็นแจ้งอะไรเห็นแจ้งอจิตที่มันยึดอันเนี้ยไม่ใช่ไปเห็นอดีตโ น, น่นแต่เกิดมาแต่ชาติปางโน้นปางนี้เป็นอย่างนั้นนีไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็มันเริ่มหลงทางแล้วอันนั้นนะมันเริ่มหลงทางแล้ว อุปทานมันลากไปไกลแล้วต้องดูที่ปัจจุบันเนี้ยอย่างที่เราเฉยๆแล้วก็ไม่ทุกนะแต่พอคิดขึ้น ม, มันก็เป็นทุกทันทีนั้นเราจะล้างเชื้อของความทุกเลือ้อล้างเชื้อของความคิดเนี่ยออกให้มันเกลี้ยงเก่าเลยในขันเราเนี่ยขันคือจิตเราที่มันใส่อารมณ์เนี่ยภาชนะที่เป็นจิตจิตคือขันใส่อารมณ์ห้าประเภท ใส่รูปเป็นธนสัญญาสกัดล้างให้มันเกี้ยงเก่าไม่ให้มีอุปทานเป็นขันสะอาดขันเกลี้ยงขันเก่าเขาเรียกว่าขันบริสุทธิ์นะตรงเนี้ทีนี้มันจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ได้นี่มันมันด้วยปัญญาด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาถ้างนั้นเราก็กรบเกลื่อนไปเฉยเฉยชังคนนั้นรักคนนี้เราก็กบเกลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ล้างขันเราแต่วิปัสสนามันจะล้างนั้นเวลามันคิดมันล้วก็ เติมตัวรู้เข้าไปเติมตัวรู้เข้าไปเปล้างออกล้า ง, า ง, างออกล้างออกมันคิดมาก็เติมตัวรู้ตัวรู้นี่มันรู้เฉยๆนะแต่ตัวคิดนี่มันขันสกปรกนะถ้าคิดขึ้นมาไม่มีราคะก็โทสะโมหะนะมันผสมเข้าไปในนั้นมันเป็นอุปทานอุปทานในความคิดคิดถึงคนนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีอารมณ์นาทีความโลภความโกรธก็ลงแท้าไปนั้น เราก็ล้างออกจนกระทั่งว่าเป็นความคิดหรือเป็นความความรู้สึกที่มันบริสุทธิ์จริงๆอ่ะมันไม่มีอารมณ์เข้ามาแทรกเราจะดับมันนั้นออกไปเขาเรียกว่าดับอุปทานในขันขันก็เป็นขันที่บริสุทธิ์ทีนี่ไม่ใช่มาดับขันนะอุปทานในขันห้าเป็นทุกข์ไม่ใช่ขันห้าเป็นทุกข์นะอุปทานเรามายึดมันน่ะเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยึดมันทุกอย่างมันก็เกิดดับโดยธรรมชาติ มันจะเกิดดับโดยธรรมชาติถ้าไม่ยึดนะ่ะแต่ฉัไม่ใช่มาดับขันห้าตนเองก็ไม่ดับจนกระทั่งไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณดับขันห้าแบบนี้ตายพอดีนะั่นคือตายนั่นแหละปฏิบัติธรรมนี่เขาไม่ได้ให้มันตายแบบนั้นแต่เขาให้เลิมันตายตายเสียก่อนที่ชีวิตนี้จะตายนั่นเอง ดับได้แล้วแล้วก็เสวยไอความพ้นทุกข์ที่เขาเรียกว่านิพานน่ะดิบดิบเนี่ยไม่ใช่ว่าตายแล้วเขาไปนิพานนิพานพ่อตายนีย่ใครก็ไม่เอานะอันนี้นั้นพุทธศาสนาเนี่สอนชีวิตที่เป็นปัจจุบันสอนชีวิตที่มันเป็นปัจจุบันดับที่เป็นปัจจุบันอะไรก็ที่เป็นปัจจุบันแต่ต้องเกิดจากการใช้คำหนึ่งว่าทวนกระแสก็คือห ไหวเวียนไหวไหวออกจากสังสารวัตไหวออกจากวัตฏสงสารวัตฏสงสารคือความคิดนั่นแหละความปรุงแต่งน่ะเราไหวออกไหวออกไปให้ไกลจนทั้งหลุดออกไปได้ทีนี้เขาก็เล่าว่าคนไหนท้าเวียนไหวอยู่บ่อยๆเข้าบ่อยเข้าขยันเข้าขยันเข้าเนี่ยภายในเจ็ดวันนี้มันจะเจอเกิดนางนางมณีเมลาเหาะมาอุ้ม สมออกไปโอ้มาช่วยเหลือนะ่ะเอาขึ้นไปไว้บนฝั่งนั่งมิมิคลาคือใครฟังดีๆนะเมื่อกี้มีตัวศรัทธาเนาะกิเลสตัณหาตั้งหลายทุพวงความคิดความพรว ง, ร ง, รงแต่งก็เหมือนทะเลนะความสะดวกสบายเมื่อก่อนเราอยู่ในสเาเพาอยู่ในสาเพาก็คือนะอยู่กับร่างกายสังขารนี้ร่างกายสังขารนี้ พอได้สัญญาหนึ่งมันก็มีการแก่ ก, ก, กันจบกันแต่เพราะมันต้องมีการเดินทางพอไปกระทบผัดษายโน่นนี่แต่เราก็มีน้องลูกนอก้องมีความสะดวกสบายก็คือบริวารทั้งห้าร้อยคนนะโดนไปก็มีศรัทธานะ้อเหมือนน้ามันนะก็เริ่มดีขึ้นในะชีวิตนี่แต่พอทวนกระแสเราก็จะเกิดคุณธรรมอีกตัวหนึ่งที่ผดออกมานอกจากความเพียร น, นะเพียรคือว่ายเวียนอยู่นั้นก็จะเกิดมีตัวปีติอันนี้ปีติ ออบอิ่มทราบสั้นเห็นไหมและหลายคนเวลาเดินจุกบเดินบออ้าวทำไมมันโลง่งมันโปร่งอ่ะชีวิตเนี้ยทำํำไมสบายสบายก็มีเหรอทำํำไมจิตมันดีจังน่ะนึกว่าจะตายแล้วเดินไปเดินมาในปวดแข้งปวดขาไปหมดง่วงก็ง่วงคิดก็คิดนะแต่อยู่ๆก็โล่งโปร่งเหมือนขาก็ไม่มีตัวก็ไม่มีเบาไปหมดนานละนางมณีเมฆขลามาเจอแล้วนะนางเมณีเมฆขลาอุ้มแล้ว อย่าดินมากเวลาเขาอุ้มอนะไรย่าดินมาแต่ดินมากมันปล่อยแล้วล่วงลงทะเลอะไรยุ่งเลยนะคุณนะบางคนดีใจว้ยนางมณีเมฆกลาวิ่งไปหาคนนี้มาตกทะเลคิดเหมือนเดิมฟุ้งซ่านมือนเดเจ็บหัวด้วยซ้ำไปบางทีว้ยเจ็บหัวหลายแล้วมันเมื่อกี้ก็เห็นนางมณีเมฆกลาอุ้มอยู่นีน่ก็คือตัวปีติมันโล่ง ม, มันโปร่งขึ้นมาแล้วเนี่ย ถ้าศรัทธาถ้าความเพียรสูงมันก็จะเกิดโลง่โลงโปร่งเบ้าสบายแค่เบ้าสบายนะีย่ไม่ได้บาลูทานะคุณอย่าไปคิดมากนะนะก็ดีหน่อยรดลองตาบอกนั่นแหละแกอุ้มไปนะ่ะเธอจะดิ้นมากจะดิ้นมาวมันวางล้วตกทะเลมันเดิมนะเอา้าลืมตากว้างๆมองไกลๆไายใจยาวๆคนไหนใส่แว่นตานะระวังเด้อจะง่วงยิ่งคนไหนใส่แว่นตามาตอนเช้ายิ่งอันตราย มันฉลาดเสเวนตาอะไรจะง่วงได้ดีลืมตากว้างๆขณะที่ทํานี่กำลังเวียนไหวสังสารวัตรนี่เนี่ยไหวอยู่นะเดี๋ยวนี้อย่าคิดว่านาง ส, นสุวรรณส์ในโน้นมหาชนกโน้นได้ไหวเนะี่ยเรานี่แหละกาลังไหวอยู่เดี๋ยวเนี้เอา้าเห็นไหมเนี่ถ้าไหวแล้วก็มีอยู่เนี่ยก็สร้างจังหวะนี่แหละ แบบฟีสไต์นะเนี่ยบางคนก็ไหว้าทางขาบางคนก็ไหว้าทางมือไหว้ไปเรื่อยๆเพราะอุ้มไปอุ้มไปไหน <c oughs> อุ้มไปโน่นไปวางไว้บนแท่นหินนะแท่น ห, หินสี่เหลี่ยมหินเนี่ยมาจะเคาว่าศิลาศิลาแปลว่าแข็งแปลว่าเยือกเย็น ศีลศีลศีลคือคำคำเดียวกันนะคือต้องเวลาเราได้อารมณ์จิตมันจะดีมันจะโล่งโปรง่งจิตจะมีศีลขึ้นมาศีลนี่เกิดขึ้นในจิตคือเริ่มมีความปกตินะในจิตเราเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่รู้ปกติคือเป็นอย่มันจะโล่งโล่งโปร่งโปร่ ง, ง, ง, งมันจะสบายสบายในใจเรานะยี่โล่งแบบนี้ไม่เคยเห็นนะ แล้วมันจะมีความหนักแน่นเวลาถูกกระทบกระทั้งอารมณ์นั้นใครมาดุมาด่ามาว่ามาเกาตีพ่อร่าอะไรอยังไงต่างมันก็เฉยนะไอ้ท่านคนจะว่าอย่างนี้นนมันก็เฉยเป็นเขาเรียกว่าพอได้อารมณ์นี้ปุ๊บเนี่ยออกจากปีติตามอารมณ์เลยนะตามลงกรรมฐานเลยนะอุภาษญานปีติปัสสติ<ม>เดียวีิจกิจารนปีติสุกนะฮะ พอไปวางลงในหินนั่นแท่นหินสี่เหลี่ยมนั่นมันก็หินนันหินแห่งความสุขคือปีติแล้วก็จะสุขปีติปัตสัตสถิก่อนปัตสัตถิแปลว่าสงบเย็นเห็นไหมปีติความเออบิบกบีมใจพออุ้มมาก็เป็นปัสสัตถิคือความสงบเย็นเขาแทนด้วยสัญลักษณ์คือแท่นสี่เหลี่ยมไปวางตรงนั้นแล้วก็หลับสบายโดยซ้าไป คือมันเป็นอารมณ์วิปัสสนาในเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอื่นนะเป็นเรื่องของจิตล้วนเลยนะจากคนทั้งหลายหวงพวงมณีก็ไม่เคยฟังอ้าวพอไปวางตอนนั้นปุ๊บเสร็จปุ๊บ ก, ก็นอนหลับอยู่ในาราชอุทยานก็จะมีนางมณีมีนางศิวลีศิวลีนี่มีชื่อพร่ำเพื่อเต็มไปหมดในพุทธศาสนาเนี่ยอะไรก็ตามนะ่ะที่เป็นประโยชน์เป็นผลประโยชน์เป็นความล่ำความรวยเป็น ความโชคดีความอัติเห ก, กระราบนี้เขาจะใช้คำว่ า, าแทนด้วยคาว่าสีวรลีเป็นลูกสาวของพระเจ้าอริทธจนกที่มีปฏิปักษ์ต่อกันนะอ้าวพ่อตายพอดีเนะี่ยวันที่นี่ขึ้นนะ อิทารมอริทธารม อ, อนิทธามลม อ, อ, ลมอริทธะคืออารมณ์ไม่พอใจพอใจก็ไม่พอใจเขาอยู่ด้วยกันก็เกิดปัญหากันนะแล้วก็ฆ่ากันนั่นเองโพลชนกสองอารมณ์มันอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่สุดท้ายมันก็เหลืออะไรเหลือเนี่ยสิวลีเอาไว้คือความสวยความงามความปรุงแต่งเอาไว้ใช่ พ่อตายตัวนี้เกิดนะถ้ามันเกิดความงามอารมณ์โกรกเกียดมันต้องดับไปอะ่ะมันเป็นธรรมชาติสติปัญญาเนี่ยมันจะงามอารมณ์นั่นจะหายแต่ว่าก็อยู่ในลักษณะของมายาภาพแบบห น, นึ่งทีนี้พ่อสั่งไว้ว่าเองเป็นผู้หญิงนะโตขึ้นเธอต้องมีสามีสามีเธอต้องมีคุณสมบัติที่เธอเจะแต่งงานด้วยมีสีประการาถ้าเขามีเนนียเอามาเป็นพ ร, พระราชาได้เลยในเมืองนี้ สมบัติสี่ประกานได้เกะอะไรบ้างก็ไล่ไปหนึ่งสองสามสี่ปรากฏว่าช่วงนั้นพระราชาตายต้องหาคนมาปกครองพระคนครไม่รู้จะเอาที่ไหนเอา้าจัดมา้าเทียมรถปล่อยไปเลยวิ่งไปวิ่งไปมาตัวนั้นดันมาเกยตรงราชอุทยานราชรถมาเกยตรงนั้นม า, มาหยุดอยู่ตอนนั้นก็เห็นคนนี้นอนหลับอยู่คนก็นลงไปทันทีเลยอมัมบัต อ้าวเชิญท่านไปเป็นพระราชาเมืองนั้นเถอะเนี่ยสบายยังอะไรดีเนาะจะเลยได้ไปไปในเมืองพอไปในเมืองปรากฏว่านงมณีเมขลาไอ้นางสิวลีเห็นปุ๊บเข้าประเด็นสี่อย่างเลยหนึ่งมีศรัทธาเห็นแล้วต้องเกิดศรัทธาต้องรักรักไหมเห็นแล้วรักเลยสองคนนี้ต้องมีความสามารถ มีความสามารถในการยกสอนที่มีความหนักคนหนึ่งพันคนจึงจะยกขึ้นได้แต่ชายคนนั้นจะต้องยกได้คนเดียวเอาไหวไหมสามต้องรู้จกักเตียงนอนเตียงนอนนี่เขาตัดไม้ไมาจากไม้ลำหนึ่งแต่ว่าเขาตัดเป็นสี่เหลี่ยม แล้วเขาอยากให้บอกว่าจริงๆทางหัวมันอยู่ทางไหนเนี่ยทางหางทางไหนทางทิศตะวะันออกทิศตะวันตกของเดิมๆมันนี่ยมันเป็นยังไงเขาวางสลับเอาไว้ให้รู้นะจะรู้ไหมเพราะคนว่าคนนี้รู้และมีอันหนึ่งก็คือต้องรู้จากขุมทองสิบหกแห่งคือไปฝังไว้ในรอบเมืองในี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยดูที่มีแา่ยากๆทางนั้นนะแล้วมันจะรู้ได้เหรอรู้เพราะมันเป็นนิทานนะมันจะไม่รู้ได้อย่างไงนิทาน ก็เขาก็บอกเงี้ยคือเอา้าเขาว่าคนนี้ต้องศรัทธาพอเห็นปุ๊บก็เกิดศรัทธาศรัทธาไหมศรัทธาศรัทธาเจอกันกศรัทธาอันนี้อารมณ์อารมณ์กรรมฐานอารมณ์ใจรักนะเนี่ยต้องมีศรัทธาก็เห็นกันก็เกิดศรัทธาอันที่สองก็ยกสอนพันคนยกได้จริงๆก็คือ เขาพูดถึงเรื่องอารมณ์อารมณ์ที่หนักอกหนักใจมากๆเรื่องมากๆจะมาเป็นพระราชาเนี่ยเรื่องที่หนักอกหนักใจเนี่ยเหมือนลูกศรที่มันปักในจิตเนี่ยคนยกขึ้นได้ไหมพันคนเรื่องหนักๆที่คนคิดมากคนเอาออกไม่ได้เป็นพันๆ ค, นคิดออกเนี่ยอันนี้ต้องคิดออกต้องยกได้เรื่องที่หนักอกหนักใจขนันไหนต้องต้องทําใจได้คนที่เขาก็ทําใจได้ถ้าทําใจไม่ได้คุณก็ เม่ได้นานี้คือไม่สามารถที่เข้าถึงธรรมที่มันลึกไปได้อันที่สามก็คือต้องรู้จักหัวนอนสี่เตียงเตียงนอ น, นี่หัวนอนทั้งสี่ก็คือหุ่คนนี้ต้องรู้จักสติปัฏฐานสี่อย่างชัดเจนอย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยอันไหนเป็นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอันไหนเป็นอริยสัจสี่ไหนเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมั้งบางคนไม่รู้มันมั่วไปหมดนะบางทีไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ ทุกคนไม่มีเงินไม่มีทองทุกคนเจ็บแฉ่งเจ็บค้ า, า, า, าทุกคนมันมั่วนะคือมันไม่รู้จักอริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงอริยสัจสี่อย่างอันไหนเป็นทุกข์เป็นสมุทยัยเป็นนิโรธเป็นมรรคเนี่ย ม, มั่วไปหมดถ้ามันไม่จมแจ่งแจ้งในมิปัสสนานี่ก็ต้องรู้อันนี้ที น, นี้ท่านพ่อถ้าออกจากนี้ได้ละ่ะถ้าเกิดได้อารมณ์มิปัสสนารู้จักอริยสัจ ร, รู้แจ้งอริยสัจครั้งที่หนึ่งเป็นสวดบัฏฐนนครั้งที่สองเป็นสกิทาคา ที่สามเป็นอนัตําราณ์นะเนี่ยอันที่สี่เป็นพระอรหันต์ทีนี้ถ้ามารู้แจ้งอันดับแรกครั้งหนึ่งเนี่ยจิตก็เข้าสู่อารมณ์วิปัสนาญาณได้ในเบื้องต้นเป็นพระอริยบุคคลเป็นเซคเะในระดับหนึ่งแต่ว่าปัญหาคือมันก็จะเกิดวิปัสโนภิกเลตวิปัสโนภิกเลมันมีกี่ตั ว, ก, ตวก็มีสิบหกตัว ฉันเขาว่าคุณต้องรู้จักคุ้มทองทั้งสิบหกในเมืองเนี่ยคุณรู้ไหมก็คืออารมณ์กรรมาฐานเนี่ยคุณจะเจ่มแจ้งได้ไม่ถึงสิบหกอย่างเนี่ยแล้วคุณต้องรู้จักวิปัสสนาญาณสิบหกวิปัสสนาญาณสิบหกตั้งแต่นี่มัตั้งแต่นา ม, มารูปบริเต ท, ทยานถึงผลญาณมัคคิยานผลนิพิทายานมัคคิยานผลอิญาณ ต้องถึงถึงภาวะนัคุณต้องเจ่มแจ้งทั้งสิบกเนี่ยถ้าคุณเจ่มแจ้งนี้ก็ไม่มีปัญหานะได้ต้องถูกใจได้แต่งงานได้แน่นะ่ะคือได้บรรลุทาขั้นสูงในแน่ปัญหามันจะรู้หรือเปล่าเท่านี้เอาปรากฏว่าชายคนนี้รู้นะพระมหาชนกเนี่ยจริงๆิงมหาชนกคือการเกิดครั้งยิ่งใหญ่คือเกิดปัญญา น, นั่นเอง พ่อใหญ่เนี่ยคือเกิดปรรัญญาครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการทําความเพียรเนี่ยพอเพียรมากขึ้นมาขึ้นเพียรมากขึ้นก็จะเกิดการรู้แจ้งอยู่ดีมันเป็นธรรมชาติของจิตนะฮะเพียงแต่ว่าจะทําถูกหรือเปล่าอเงี้ยเดี๋ยวบางคนอย่างมาเวียนไหวนิดๆหน่อยๆอ่าแขนนี้เนาะก็จะเฮ้ยมันไม่รู้ก็เลิกเขาไหว้ยอยู่เจ็ดวันนู่นนะบางคนเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างมากเจ็ดปีหรือ นรจะมากกว่าเจ็ดปีก็ไม่เป็นไรเราบอกว่าเจดปีนะบรรลุธรรมแต่พระอานนท์อยู่กับพู้ได้เจ้าเนี่ยอยู่กี่ปีจนอายุแปดสิบปีเนะี่ยพระอานนท์จึงบรรลุธรรมเาันก็คิดเถอะขนาดพระอานนท์มีปัญญามากฟังอะไรก็เข้าใจท่านอยังขนาดนั้นแล้วกูเป็นใครล่ะเขาหาอะไรนะในชวนยังหลีกภยัยกูเป็นใครยังไม่รู้แจ้ง ก, ก็ทำไมมัรู้แจ้งซะละก็ทําไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่รู้ก็ไม่เป็นไรพระอานุ์ยังไม่รู้น่าจะยังนานนะนขยันทําไปค่อยๆทําเรื่อรู้ไปวันห น, หนึ่งๆเอาแค่ไม่ทุกในขณะที่เราอยู่นี่โอ้วันนี้ขอมีสติเจ็ดวั น, นขอมีสต 1, ิวันเดียวก็พอแล้วเนี่ยขอช่วงบ่ายนี่ขอมีสติเธอมไม่ได้เอขอช่วงค่าเธอเนี่ยพอขยับไปขยับมาขอขอข อ, ขอนะจะขอก็รีบขอนะ อย่ารอให้ถึงปีหน้าขอแล้วก็ทำไม่ใช่แบบอธิษฐานแบบขอนะอนนี้อธิษฐานคือตั้งใจไว้ว่าจะทำอะไรก็ทำไปให้มันถึงก็จะเห็นทำรุนะตาฉฉยมีซีดีให้ดูเมื่อกี้กี่เรื่องเลยเวลามาห้านาทีเองนะเดี๋ยวนี้สามทุ่มกี่เรื่องที่ฟังเมื่อกี้มีทั้งหมดสิบเรื่อง ได้ฟังกี่เรื่องไม่ถึงไม่ถึงสิบกี่เรื่องเอาจําได้ไหมหนึ่งพระเทเมีสองพระหมาชนกสามเมื่อกี้มันถึงเรื่องมโหสถเองนะชวนะสามมีนั่นเรื่องที่สามเรื่องที่สี่มโหสถเรื่องที่ห้าเอามีเด้อเมื่อกี้มีไหมใช่หรือยัง อา้าวใช้ไม่ใช่ก็ง่วงแล้วนะจริงๆเขาสอนเรื่องการปฏิบัติธรรมพวกเราเทั้งนั้นพุทธศาสน า, าเป็นปิศนาธรรมเราเรียกเป็นเปลือกของธรรมะแต่เขาซ่อนแก่นเอาไว้อย่างเช่นแก่นมันคือความขันติอย่างเงี้ยเรื่องความอดทนอย่างเงี้ยเรื่องความมีเมตตาสุวรรณสามเมตตาเป็นอะไที่จะบรรลุธรรม แล้วก็ความเพียรพยายามมหามหาเจ้าคือเขาจะสั้นแก่นแต่นี้แค่ไว้เฉยแต่เรามีปัญญาทุบเปลือกมันเข้าไปกินได้ไหมคือเอามาใช้ปฏิบัติทำเนี่ยเอามาพยุงชีวิตเราเนี่ยเอามาได้ไหมถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วก็เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงก็มันเหมือนเป็นจริงเป็นจังในเรื่องพวกนี้ น, นเราก็ได้แต่ว่ายบูชาเอาเป็นนิทานมาสอนเด็กไปวันวานแต่เราไม่สามารถที่จะเอาแก่นมันมาสอนวิปัสสนาเราได้ เอาแก่นมันมาสอนผู้ใหญ่เอาเปลือกไปสอนเด็กเนี่ยเราทำไม่ได้เราคิดว่าเป็นเรื่องของเด็กนิทานสอนเด็กจริงพุทธศา ส, าสนาเนี่ยทุกเรื่องที่มีอยู่ในพุทธศา ส, าสนานสอนเรื่องการบรรลุนิพพานทั้งนั้นนะแต่เราจะเข้าถึงไมแ่แคนะ่นั้นเองอ้าวหนโมทนานะคัณนั่งนี่ฟังโมทนาสาธุกับกุศลจิตกุศลถัดศรัทธาที่เราอุปสรร์ หอบสังขารมาปฏิบัติธรรมร่วมกันในทีน่นี้ขอให้เป็นเหตุเป็นพลวะปัจจัยบุดหนุนคำจนสติปัญญาให้แก่กา้าสามารถแทงทะลุกิเลสตัณหาและเข้าถึงภาวะของความสิ้นทุกข์ได้ด้วยกันในเวลาอันใกล้นี้ทุกท่านทุกคนเดิน